มาจากที่ไหนนะทางเทปทางเทปนะเทะเาทลาม า, าแถวเทเล่าะใช่ครับแล้วนีพาพี่มารเพราะว่าหลังๆก็แนะนาให้ฟังเทปของพระอาจารย์แล้วก็พี่เขาชอแล้วพเขากำลังจะเดินทางใหญ่ไปอยู่อเมริกาครับาอาย์นาก็เลยพามาไหวพ้พระอาจารย์ก่อนไอยู่มงไหนไปเอเอง ตรงไหนช่วงของเอวี e วนิสบีชอะเวน e สบีชใกล้ๆซานตามอนิกาเลยค่ะอย่างนั้นแล้วก็ยไปมาล <laughs> <laughs> <laughs> คยไปอาบแดด่านั้นพอไปหนังสือที่นั่นเหรอ uh, no. oh. คะเรียนที่่ซมเมอลงมาทงานที่เวไปหมดซานตามิกาเวิสฮโมซาอ่านน เออมซามันอยู่ติดกันนะครับแต่แมนฮัตตัอยู่ไม่ไกลกันอ่า็ถนั้นมันมี ม, ม, มีที่มีชายทะเลแต่น้ำไม่เคยไม่ไม่หลงไปหามันหนาว <laughs> น้ำมันเยน็นลงไปโป๊่าเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแรงด้วยไมเือนน้ำของบ้านแล้วน้ำที่บ้านแล้วอุ่นสบาย ที่นั่นเป็นกัะ น, น้ำแข็งไงขนาดหน้าร้อนน้ำมันก็ยังเย็นเจี๊ยบไปทำอะไรเลยจะไปแต่งงานนะก็ดี <laughs> เป็นความสุขในรูปแบบนึงเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา เดี๋ยวน้บตาต้องตกในแน่ๆจะเร็วจะช้าเรื่อยๆนะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่ผุดผุดโผล่ๆสามันดีสี่0ไข่เพราะคนก็ไม่แน่นอน คนที่ให้ความสุขกับเราเขาก็ไม่แน่นอนเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันอารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ไม่ดีก็ก็ไม่ดียังต้องหัดทำเตรียมใจไว้เตรียมตัวเตรียมใจไอย่าอย่าไปคิดว่าจะหวานไปตลอดจะต้องมีเวลาที่ขมบ้าง ถ้าทำใจก็ทำใจได้ก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรแต่ถ้าต้องการให้มันหวานไปอย่างเดียวพอไปเจอพอไปเจอขมแล้วรับไม่ได้ก็จะลำบากอยู่ทางโลกก็ต้องหัดทำใจอันที่จังไม่มีอะไรแน่นอนใหม่ๆก็ดี แต่พออยู่ไปอยู่ไปพอมันเก่าแล้วมันก็ได้เกิดความชินเคยชินความตื่นเต้นความรู้สึกว่ามันเป็นของใหม่มันก็หมดไปแล้วก็อาจจะทำให้ประากัดของใหม่อย่างอื่นมาแทนทั้งเขาทั้งเราเขาด้วยเราด้วยกระทอม พยายามรักษาศีลไว้ศีลห้าศีลข้อการเมยต้องซื่อสัตว์แต่น้อยเราก็สบายใจเราซื่อสัตย์ขอไม่ซื่อสัตย์ก็ห้ามเขาไม่ได้ mm hmm. เราซื่อสัตย์เราก็ใจเราก็จะสงบถ้าไม่ซื่อสัตย์ใจเรามันก็จะเดินจะหาความสุขนอก น, นอกบ้านเห้เรารักษาใจของเรารักวยการรักษาศีลของเราไปส่วนคนอื่นเขาจะรักษาไม่รักษาก็เราไปบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจทําใจว่าเขาอาจจะไม่รักษาศีลเขาอาจจะโกหกเราเขาอาจจะออกไปหาอะไรข้างนอกบ้าน ก็อยากไปสนใจถ้าอยู่ด้วยความความสงสัยอยู่ด้วยความไม่ไว้ใจมันก็จะไม่มีความสุขก็ต้องปล่อยไ ป, ปล่อยว่าเป็นเรื่องของเขาเขาจะซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์นี้เราไปห้ามไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เราจะไปเป็นนักเสพคอยติดตามอยู่ก็เหนื่อยเราเปล่า เราก็อยู่ไปงั้นก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้เขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมเขาจะอะไรก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไปมีกำหนดขึ้นมาว่าเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เราก็จะไม่สบายใจนะถ้าเขาไม่อยู่ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้ ยอย่าไปตั้งก่อนในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ลปล่อยเขาทำเหมือนกับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แต่งงานกันเป็นอย่างไงตอนแต่งงานกันก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปอย่าไปถือเขามาครอบครองเป็นของเราถ้าไปถือเขาว่าเป็นของเราแล้วทีนี้มันก็จะหวง้ว จะหวงแล้วก็จะห่วงแล้วจะไม่มีความสุขเตอนนี้เราไม่มีความทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ไปครอบครองเขาเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นของเราเอเขาจะทําอะไรตอนนี้เราก็มเบื่อนอนในเวลาแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องคิดว่าเหมือนกันยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้เป็นของเราอถ้าไปคิดว่าเป็นของเราแล้วนี่มันจะยึด ต, ติดแล้ จะหวงแล้วก็จะหวังหวังให้เขาซสื่อสัจนี่เขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปห้ามเขาได้หรือไม่เราต้องทำใจอย่าไปยึดไปติดถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตาม ก็ให้คิดเสียว่าเหมือนกันไม่ได้แต่งก็แล้วกันถ้าคิดว่าไม่ได้แต่งเวลาเลิว ก, กันก็ง่ายถ้าคิดว่าแต่งแล้วเวลาเลิกกันมันก็ยากแต่งก็แต่งไปตามประเพณีตามธรรมเนียมแต่ใจเราอย่าไปแต่งกับใครใจเราต้องเป็นโสตตลอดเวลาอยู่คนเดียวได้ ตอนนี้เราอยู่คนเดียวได้ไม่ใช่ต่อไปเราก็าจจะต้องกลับมาอยู่คนเดียวเองก็ได้ถ้าเราคิดลงนามไว้ก่อนเต็มตัวไว้ก่อนมันก็ไม่ยากแถ้าเราไม่เต็มตัวเต็มใจแค่ว่าต่อไปนี้เราจะต้องอยู่สองคนไปตลอดเนี่ยเดือเกิดวันดีคืนดีไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนก็จะก็จะทุก เราต้องคิดเสมอว่าเราไม่ได้ขาดทุนไม่ได้เสียอะไรตอนนี้เราก็ไม่ได้อะไรเราก็มีความสุขอยู่ของเราเป็นปกติถึงแม้เราจะได้แต่งงานแล้วเราก็อาจจะกลับมาอยู่ยตรงจุดนี้อีกก็ได้ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนก็เหมือนเราไปเที่ยวเที่ยวเสร็จเราก็กลับมาบ้านก็กลับมาจุดเดิม ไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจอะไรไปเที่ยวกลับมาเสร็จก็ไม่เสียใจนะฉนั้นต้องพยายามคิดอย่างนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดกับใครกับอะไรเพราะไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไปยึดไปติดแล้วเกิดมันมันยึดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีการจากกันเองมันก็จะลำบาก อันนี้จงถ้าถ้าไม่อยากจะเจอก็อย่าไปแต่งเท่าไรสายไปแล้วยังไม่สายเยังไม่สายเลย <c oughs> คนที่ก็เลอกกันก่อนแต่งวันสอหวันก็มีเยอะแยะไปเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วก็ถอยดีกว่า <c oughs> กาลังจะไปตกนรกไม่ได้ไปไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์หรอกคนที่มีปัญญาคนมีปัญญาจะเห็นว่ากาลังจะไปตกนรกแต่คนไม่มีปัญญาจะคิดว่ากําลังขึ้นสวรรค์อาไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดกันจะ เดี๋ยวบันดูคลิปอันนี้ก็แล้วกันการเปิดดูทุกวันนะเจ๋งมอยมีอะไรให้เฟซบุ๊กไลฟ์มาพระอาจารย์พอดีผมแนะนำด้วยเพราะว่าผมเคยอยู่ที่เอ้าเองเหมือนกันครับอาจารย์ตอนนั้นก็จะไปกราบนรรสการท่านเจ็บค่อนข้างบ่อยก็เลยบอกว่ามีอะไรก็ให้ไปที่วัดเมตตาดูไปนั่คฟังธรรม อาจจะไม่เคยมีโอกาสมาไว้พระอาจารย์ที่ที่นี้เท่าไหร่เองครับ <c oughs> วันนี้ก็มีฝรั่งมาจาก l อคนหนึ่งมาจากก็อยู่แถวทอรนส์รเราก็เคยอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเคย อ, อยู่แถวโดมินิกัสฮ l ลแถวค า, าสันใกล้ๆกันก็ามาอยู่ก็ามาปฏิบัตธิธรรมกับพระอาจารย์สเมโช ท, ที่เขาใหญ่ น, ะนอยากจะมาลองอยู่ที่นี่อยู่สองพักหนึ่งเห็นไหมคนที่น่นก็นมาที่นี่คนที่นี่ก็ไปที่โ น, น่นคนมันอยู่ที่ไหนนานเข้ามันรู้หมดรู้ไส่รู้พุงหมดมันไม่มีอะไรคนที่ไม่เคยไปก็มองไม่เห็นไส่เห็นพูงเห็นตาหน้าเห็นตาตาก็หลงไหลข้างใครพอไปอยู่แล้วไปเห็นไส่เห็นพุงก็ เราไม่อยากจะอยู่หัังแต่เรากลับมาเนี่ยเราไม่เคยคิดอยากจะไปเลยมากลับมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหนึ่งเก้าเจ็ดสองก็สี่สิบกว่ปีแล้วเจ็ดสองสี่สิบสี่ปีก็ไม่เคยมีความคิดอยากจะกลับไปเลยเฉยๆมันาจะเป็นเพราะว่า ได้เจอของจริงอยู่ที่ในตัวเราแล้วก็ได้เจอความสุขที่ในตัวเราแล้วก็เลยไม่มีความสนใจที่จะไปหาความสุขจากที่อื่นเพราะที่อื่นมันก็อย่างนั้นแหละ ม, มันก็สุขแบบสุขสุขดิบเดบสามวันดีสี่วันใข่ที่มันสุขสุขเด็อบเดือบเพะใจเรามันสุขสขดุดืบๆบใจบางวันก็ชื่นชมยินดีเหมือนกัน บางวันก็เบื่อพอเบอื่อก็ไม่อยากจะอยู่ที่นั่นได้ใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนที่พอหายเบื่อก็อยากจะกลับไปใหม่นี่คือลักษณะใจของพวกเรายังไม่สถียนยังไม่นิ่งยังไม่ตั้งมั่นยังไหลไปกับอารมณ์ต่างๆ อารมณ์รักอารมณ์ช่างอยู่กับอะไรไปบ่อยๆเข้าเกิดความจำเจเกิดความชินชาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาฝรั่งอยู่โนมาเที่ยวเมืองไทยคนไทยต้อไปเที่ยวเมืองฝรั่งเพราะว่ามันเบื่อของเก่าพอไปเมืองเขาก็เห็นของใหม่ๆเขามาเมืองเราเขาก็เห็นของใหม่ๆ แต่พอก็อยู่สักพักเดี๋ยวเขาก็เบื่อเบื่อเขากกลับเราไปเที่ยวสักพักเราก็เบื่อแล้วก็กลับมันก็จะไปไปมาๆอย่างนี้เบื่อเบื่ออยากอยากเพราะเราไม่มีการควบคุมใจของเราไม่มีการผูกใจของเราให้มันอยู่นิ่งๆให้มันอยู่เฉยๆให้มันอยู่ในความสงบมันไหลไปตามกระแสะของอารมณ์ของความคิดต่างๆ คิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าหยุดคิดได้ก็จะไม่มีความอยากก็จะมีความสงบอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดเพราะที่ต่างๆนี่มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เท่ากับความสุขที่เราได้รับจากความสงบ ยงถ้าเรามีความสงบแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลายิ่งจะไปไหนก็ได้ไม่ไปไหนก็ได้ผลเท่ากันพวกเรานี้ส่วนใหญ่ไปเพราะว่าผลมันดีกว่าอยู่ที่นี่มันไม่สุขต้องไปที่โน้ น, นถึงจะสุกก็ไปกันเดี๋ยวพออยู่ที่นั่นไม่สุขก็กลับมาที่นี่ที่นี่สุขกว่าก็กลับมาพอใจเราไม่มี ความสุขที่ดีกว่าใจเราต้องอาศัยความสุขจากสิ่งภายนอกก็เลยต้องกิ้งไปกิ้งมาอยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วก็เบือ่อเบื่อแล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่แล้วก็เบื่อก็เปลี่ยนไป<ม>ก็จะไม่มีวันจบ แล้วถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ทุกข์อยากจะไปแต่ไม่มีปัญญาจะไปต่อไปก็ไปไม่ไหวร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องอยู่กับที่แต่อยู่อยู่แบบห ง, งุดหงิดอยู่แบบลำคาญใจเพราะใจมันไม่ยอมอยู่แต่มันก็ไปไม่ได้เพราะร่างกายมันไปไม่ไหว ถ้าเรามาทาใจให้สงบความหมุดหยิดเป็นก็จะไม่มีร่างกายไม่ไหวก็ไม่เป็นไรอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ไม่ไม่ไปไหนก็ได้ไม่ทําอะไรก็ได้ไม่ดูไม่ฟังอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความสงบใจมีความสบายอยู่เป็นโสดได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าว ที่อยู่เป็นโสดกันไม่ได้เพราะมันรู้สึกว่าเวเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเวลามีเพื่อนแล้รู้สึกว่ามันสดชื่นแบบบานแต่ระวังความเบื่ออยู่กันไปนานๆเข้ามันก็เบื่อขึ้นมาได้นานๆเห็นกันทีก็ดีแต่ท่านต้องเห็นกันทุกวันเหมือนกินอาหารชนิดเดียวกันทุกวันลับเราลองกินดูเลย ให้อร่อยขนาดไหนชอบขนาดไหนเราให้กินทุกวันดูถ้าพักหนึ่งก็มันก็เบื่อทำไมเราไปทํางานร้านขายติมเนี่ให้กินไอติมใหม่ๆนี่อร่อยลองมันทุกรสทุกชาติเลยทําไปสักไม่กี่เดือนเนื้ตอตอบเป็นไม่อยากจะกินเลย <c oughs> เราให้กินฟรนี่ร้านนี่ใจกว้างคนยานนี่กินเี กินอะไรตักกินเอาเลยไปใหม่ๆโอ้ยอร่อ ย, ยทุกอย่างทำไปสักพักหนึ่งพอกินบ่อยๆก็ชักจะเอื้อมกินไม่ลงจริงๆถ้าของร้านอาจจะเข้าใจทํามาหลึกๆก็ได้นะครับว่าให้มันกินไปเถอะเดี๋ยวมันกินสังหักมันก็เบื่อละไม่มีทางกินหมดเอามันก็เป็นสวัสดิการของเขาด้วยก็<อ> ก็อยากให้คนทำงานมีสวัสดิการเขาก็คิดเป็นเป็นค่าใช้จ่ายของเขาไปเขาก็หักภาษีได้ระนับคือเขาก็เขียนเป็นเป็นหลายรับของเราไปเป็นค่าจ้างไปการเรื่องของลูกเสียงกินรดก็อย่างนี้แหละเวลามันแปลกมันใหม่นี้ก็ สนกดีมันดีเวลาโทรศัพท์เครื่องหม่รุ่นใหม่ออกมานี่เล่นกันสักพักหนึ่งโอ้มีทำให้นว่นก็ได้ทำให้นี่ก็ได้เล่นกันไปสักพักพอรู้หมดแล้วมันเล่นอะไรได้ก็เบื่อแล้วไม่มีของแปลกใหม่ให้เล่นเดี๋ยวต้องรอรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่ออกมาก็มีของแปลกใหม่ให้เล่นนี่รุ่นเก่าก็ ไม่อยากจะ เ, เก็บไว้แล้วไม่อยากจะใช้แล้วทั้งที่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆนี่โอยรักมันแสนรักนะพอใช้มันไปรักพักรู้ฤทธิ์ของมันแล้วรู้ว่ามันทำอะไรได้แล้วก็เลยหมดหมดความสนใจแล้วไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจก็ไปหาเครื่องใหม่ คนก็เปลี่ยนคนเหมือนโทรศัพท์เลยยิงคนแถว l ออนี่แถวฮอลลีวูดนี่ก็เปลี่ยนกันง่ายได้แต่งก็ง่ายยาก็ง่ายที่นู่นขับรถไปลาดเบกั๊กไม่กี่ชั่วโมงก็ไปแต่งกันไดนะ้แต่ยาอาจจะยากหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องกัน เราจะอยากกันแล้วนี้ต้องมาต้องมาแบ่งผลประโยชน์อันนี้ระยะว่าจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์เวลาเกิดการอยากกันหรือถ้าจะเรียกร้องก็มีลิมิตว่าไม่ได้เท่านี้ไม่ใช่เาจะเอาครึ่งหนึ่งของเขา พวกมหาเศรษฐีนี่เอาเวลาแต่งงานก็จะต้องมีพรีนับก็เรียกพรีนับมีสัญญาณก่อนแต่งสัญญาก่อนแต่งว่าถ้าเกิดมีกรณีที่จะต้องหย่าร้างกันจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทรัพย์สมบัติแต่สละสิทธ์แะทางกฎหมายที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกแบ่ง ผลประโยชน์จากกู้สัมบรสได้ก็แล้วแต่จะสัญญากันยังไงว่าจแบ่งจะให้เท่าไหร่ไม่ให้ให้เท่าไหร่สมายนี้เขาก็ยอมรับกันว่าแต่งการแต่งงานส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าเราแต่งงานแล้วขาดทุนจะไปแต่งไหม แต่งก็ต้องคิดว่ากำไรเพราะั้นก็ไม่ต้องมาอายกันไม่ต้องอะไรพูดกันเลยแต่งกันแล้วเรื่องเงินทองนี่จะว่ากันยังไงจะใช้จ่ายกันยังไงใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างไรรายรับของใครเป็นของใครพูดกันให้รู้เรื่องของเราไปเลย ต้องแยกแบ่งแยกเรื่องความรักก็เรื่องของความรักเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์ก็เรื่องผลประโยชน์ถ้าไม่ไม่แยกแยะให้มันชัดเจนเดี๋ยวก็มีปัญหาได้<ร><ร>อันนี้ได้ได้พูดคุยกันได้ยังเรื่องผลประโยชน์เคยคุยกันแล้วต้องคุยกันใช่ไหมคะก็ต้องเคลียร์ก่อนยังไง ไม่ต้องเซ็นสัญญา อ, อ๋อไม่ดีค่ะไม่ได้ร่ำรวยหลวงพเคยมีครอบครัวไหมคะไม่เคยนะไม่ต้องมีหรอกก็ดูครอบครัวคนอื่นก็ดูครอบครัวดูพ่อแม่เราก็เห็นแล้วไม่ต้องดูคนอื่นนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของจริตนิสัยก็ได้ ที่ไม่มีครอบครัวเพราะว่ามันอาจจะมันไม่มีความจําเป็นจะต้องมีเราก็มันอาจจะเห็นว่ามันยุ่งยากมากกว่าอันนี้แล้วแต่แต่ความรู้ของแต่ละคนบางคนก็มองไม่เห็นทุกข์ก็เห็นว่าการมีครอบครัวมีความสุขเขาก็มีครอบครัวกัน ซึ่งส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าการมีครอบครัวมีความสุขดีกว่าอยู่คนเดียวซึ่งในระดับหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมีครอบครัวกม็มีคนนั้นคนนี้มาอยู่ร่วมกันก็ไม่เหงาช่วยกันดูแลช่วยกันปกป้องรักษาถ้าอยู่คนเดียวนี่เหมือนก็อาจจะเป็นเป้าของผู้ไม่หวังดีก็ได้ ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนี่อยู่คนเดียวมันก็มันก็ยากแต่ถ้ามีสามีมีอะไรก็อย่างน้อยก็ไม่มีใครจะอยากจะเข้าม า, ามาสร้างความเดือดร้อนให้แต่ถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็โดน <c oughs> เป็นผู้หญิงก็ลําบากกว่าผู้ชายตรงนี้ก็ต้องมีคู่มีเพื่อน แต่สมัยนี้ก็มีมีหลายหลายรูปแบบมีแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบแต่งกันก็มีอยู่กันไปเป็นเพื่อนกันไปเบื่อก็ไปเบือก็เปลี่ยนเพื่อนใหม่ก็ <c oughs> เป็นความสุขชั่วกราวก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเบื่อนคนนี้ก็ไปเปลี่ยนคนใหม่ ดาราฮอลลีวูดบางคนนี่แต่งระยะตั้งเกือบสิบครั้งเอลิาเบธเที่ยงแล้วนี่แปดครั้งขนาดสวยขนาดไหนก็ยังยังต้องเปลี่ยนเลยอยู่ด้วยกันสักพักแล้วก็เบื่อกันถ้าเอาใจตัวเองก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเราอยากจะอยู่กับใครให้นานเราต้องรักเขามากกว่ารักเรา ถ้าเราักเขามากกว่ารักเราเราก็ยินดีที่จะเสียสละเมื่อเราเสียสละเขาก็จะอยู่กับเราได้แต่ถ้าเรารักตัวเรามากกว่ารักเขาก็ไม่ใช่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเราจะไม่ยอมไม่ยอมเสียสละพอเราไม่ยอมเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเราเห็นั <c oughs> ถ้าเราอยากจะอยู่กันไปนา น, าน ก็ต้องรักเขาให้มากกว่ารักตัวเราถ้าเรารักใครเราก็ยินดีที่จะเสียสละให้กับเขาเหมือนพ่อแม่รักลูกเนี่ยพ่อแม่นี่รักลูกมากกว่ารักตัวเองยินดีที่จสสละให้กับลูกได้แต่ทำานกับสามีกับภรรยากับเสียสละให้ไม่ได้ก็เลยต้องอย่าร้างกันไป จนกว่าจะไปเจอคนที่เรารักเขามากกว่ารักรักตัวเราเมื่อเราเจอคนที่เรารักเขามากกว่ารักตัวเราเราก็จะอยู่กับเขาได้ชีวิตคอครัวก็จะดีตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าคู่ครองนี้ต้องมีคนธรรมอยู่สีประการด้วยกันถึงจะอยู่กันแบบอยู่กันได้นานข้อหนึ่งก็จะพระคือการเสียสละ เราต้องเสียสละเราต้องยอมยอมให้อย่าเอาแต่ได้ถ้าจะเอาได้อย่างเดียวเขาไม่ไม่มีปัญญาที่จะให้เราทุกอย่างที่เราต้องการเร า, เราต้องให้เขาถ้าเราให้เขาเขาก็จะให้เราหรือถ้าเราให้เขาเขาไม่ให้เราเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากจะได้เรามีแต่ความอยากจะให้ แลดงว่าเราลัางเขามากกว่าเราลัางตัวเราเราก็จะให้ได้เราก็จะมีจากะตอนที่สองก็ต้องมีมีสัจจะคือมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่หลอกลวงกันไม่ไปออบมีแฟนที่นอกบ้าน ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อการเงินก็จะมีความสบายใจไม่ต้องมีความมาวิตกกังวลข้อที่สามก็ต้องมีความอดกลั้นเวลามีอารมณ์บุ่ดเบี้ยก็ข่มใจโกรธเขาก็อย่าไประบายพยายามพุทธโธพุทธโธไว้หันใจให้นิ่งให้เฉยหรืออารมณ์โกรธผ่านไปมันก็มันก็ กลับมาเป็นปกติก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียหายเวลาโกรธนี่ถ้าเราพูดไปหรือทำอะไรไปมันมักจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วเราก็จะมาเสียใจถีหลังไว้เราไม่น่าพูดเลยเราไม่น่าทำไปเลยแทนที่จะทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นไม่ว่าโกรธหรือโลภนี่ให้ข่มใจไว้เวลาโลภก็ไม่ดีเวลาโลภอยากได้อะไร ก็อาจจะทำให้เราต้องพูดหรือทำอะไรที่น่าเกลียดก็ได้ที่ไม่น่าดูที่จะทำให้เข า, เาไม่พอใจไม่ชอบใจเราก็ได้เวลาโลภต้องข่มใจไว้เวลาโกรธต้องข่มใจไว้เวลาหลงก็ต้องข่มใจไว้เวลาหลงก็คืออาจจะเป็นหลงคิดว่าเขาไปมีนู่นมีนี่ทั้งทั้งที่เรายังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า คิดไปก่อนนะอันนี้ก็ต้องหยุดความหลงถ้ายังไม่เห็นความจริงก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรนี่เขาเรียกว่าต้องรู้จักข่มใจเวลามีอารมณ์โลภโกรธหลงเมตตาอยากต่างๆเพราะมันจะทำให้เราไปพูดไม่ดีทำไม่ดีและจะทำให้มีปัญหาต่อกัน อันนี้คือเรียกว่าข่มใจข้อที่สี่ก็ต้องมีความอดทนอดกั้นแล้วก็ต้องอดทนอดทนก็คือชีวิตของเรามันก็ไม่ใช่จะเป็นบนกลีบดอบกกล่าวไปตลอดอย่บางทีก็มีหนามมีอะไรให้เหยียบบ้างชีวิตก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไปขึ้นๆลงๆเวลาสุขก็ไม่มีปัญหาอะไร เวลาทุกข์ไม่มีความอดทนก็เดี๋ยวก็จะไปพูดไปทำอะไรที่ไม่ดีได้ราต้องอดทนเวลาแต่งงานเขาจงบอกให้สัญญากันว่า in sickness or in health แว่าจะอยู่ในสุขหรือทุกข์ก็จะรักกันเหมือนเดิมจะจากกันก็ตอนเวลาที่เราตายเท่านั้น ดูเดชดูวีพอดถ้าปฏิบัติตามรรมันสัญญาที่ให้ตอนแต่งงานได้ก็ก็น่าจะอยู่กันอย่างมีความสุข uh huh. ถ้ามีคุณธรรมสี่ข้อนี้รับรองได้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ uh huh. อยู่กันอย่างมีความสุขแบบภาษาของโลกโลก uh huh. สุขสขดุดิบดิบ uh huh. สุขบ้างทุกบ้าง uh huh. อาจจะสุขทุกวันเหมือนวันแต่งงานไม่อด้เดียวมันมีวันเดียวนท่านะ้หลังจากนั้นแล้มันก็เหมือนกับยาขมเคลือบน้ําตาล เ, เวลาอมก็ไปใหม่ๆก็เหมือนวันแต่งงานหวานจ้อยเลยเดี๋ยวพอน้ําน้นําตามันละลายไปหมดแล้วทีนี้ความขมมันก็จะโผล่ขึ้นมาอะ ถ้าอยากจะมีความสุขมีความสําเร็จในชีวิตคู่ก็ต้องสร้างคุณธรรม4ประการสร้างจาระการเสียสละสร้างสัจจะความซื่อสัตย์สร้างาความอดกลั้นและสร้างความอดทนอดกลั้นเขาเรียกว่าธรรมะอดทนเรียกว่าขันติจาระสั จ, จะธรรมะขันติ ถ้ามีธรรมะสี่ข้อนี้ก็อยู่กับใครก็ได้จะอยู่ไม่ได้อยู่แบบคู่ครองก็ได้อยู่กับเพื่อนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่กับใครถ้าเรามีคุณสมบัติสี่ประการนี้ไม่มีใครเข้าลังเกียจนี่คือความสวยงามของคนสวยที่ใจสวยด้วยจาคะด้วยการเสียสละสวยด้วยความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ไม่มีใครจะสงสัย ในพฤติกรรมของเราพูดจริงทำจริงให้สัญญาอะไรไว้แล้วไม่บิดเบี้ยวไว้ใจได้ไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วก็จะไม่ระบายอารมณ์เวลาโกรธเวลาทุกข์ก็จะเฉยๆทำใจไม่พูดไม่ไม่ทำอะไรที่จะทำให้พูดก็เสียหาย เวลาทุกข์ยากลาบากก็อดทนสู้กับมันไปเขาก็มีคนแนะนำว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามีคุณสมบัติเห่านี้หรือเปล่าในคู่ของเขาให้ชวนคนที่จะแต่งงานนี้ไปเดินขึ้นเขาที่ภูกระดึงกันขึ้นด้อยภูกระดึงดูดูว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้กันไปตลอดทางห่า ไปเป็นภูเขาฮิมอลไรก็ได้พเราจะต้องไปเจอข้อสอบเจอไปคต้องไปเจอความทุกข์ยากลำบากแล้วถึงจะเห็นธาตุแท้ของคนว่ามีธาตุแท้แบบไหนมีธรรมหรือมีอธรรมมีจากะมีสัจจะมีธรรมะมีขันติหรือเปล่า สมัยก่อนเขาถึงไม่เนียขาถึงไม่นิยมแต่งงานกันก่อนเ ข, เขาต้องมั่นกันก่อนมั่นกันสักปีอย่างนี้ให้รู้จักจิตใจของกันแล้วกันว่าจะอยู่ด้วยกันได้มั้ยเราชอบอย่างนี้เราไม่ได้ชอบอย่างนี้เราจะปรับใจเราอยู่กับเขาได้หรือเปล่าเราชอบอย่างนี้เขาไม่ชอบเขาจะปรับใจเข้าหาเราได้หรือเปล่า มันเป็นเรื่องของการปรับนะการอยู่คนเดียวนี่สบายตรงเนี้ยไม่ต้องปรับใจเป็นตัวของเราร้อยเปอร์เซ็แต่เวลาไปอยู่กันสองคนนี่ต้องหมดอิสระภาพไปครึ่งหนึ่งแล้วจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แนละ้วกลายเป็นเหมือนกับกลายเป็นนักโทษจนะไปไหนก็ต้องขออนุญาตกันนะต้องบอกกันก่อน จะไปทาอะไรคนเดียวนี่ต้องขออนุ ญ, ญาตไม่เช่นนั้นก็ต้องไปสองคนไปสองคนก็ต้องต้องพอใจทั้งสองคนว่าจะไปทางเดียวกันได้ไปะ่ะคนหนึ่งอยากจะไปที่นี่อีกคนนึงอยากไปที่นั่นเดี๋ยวก็ก็ไปไม่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องตามใจเขาอเอาใจเขาถ้าเอาใจเขาก็อยู่กับเขาได้ มันยุ่งยากนะสู้อยู่คนเดียวไม่ได้นะสู้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไม่ได้สบายกว่าทำพุโทโธพุโทโธไปใจสงบนีก็จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวแล้วไม่อยากจะอยู่กับใครไม่อยากจะเสียอิสรภาพอยู่คนเดียวนึกอย่างทาอะไรไปได้เลยไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องขออนุญาตใคร เพื่อนโทรมาชวนมาหน่อยมาหน่อยอยากจะไปไปได้เลยนี่เดี๋ยวกัดเพื่อนฝูงโทรมาชว น, า น, นไปนู่นไปนี่ไปไม่ได้แล้วแฟนไม่ไม่ยอมให้ไปได้อย่างเสียอย่างนะคิดให้รอบคอบนะได้กับเสียไหนมันจะมากกว่ากันถ้าได้ก็ได้มากกว่าเสียก็ไปเออ ถ้าได้น้อยกว่าเสียก็อย่าไปดีค่ะก็มีพระเคยมากราบขออนุญาตหลวงปู่มั่นว่าจะขอลาไปปฏิบัติที่หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าถ้าไปดีก็อยู่ก็ไปไปก็ดีถ้าอยู่ดีกว่าไปก็อยู่ดีกว่าถ้าไปไปก็ดีอยู่ก็ดีก็อยู่ก็ได้ไปก็ได้ เราต้องถามตัวเราเองว่าเี่ยเราไปแล้วจะดีกว่าอยู่หรือเปล่าถ้าดีก็ไปไปอะถ้ามันอาจจะดีเพราะแบบดีแบบคนตาบอดก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> คนตาบอดมันอาจจะมองแต่เอข้อดีอย่างเดียวออถ้ารับรองถ้ามองแบบคนตาดีไม่มีใครอยากจะไปนะ ให ม, มพระพุทธเจ้าขนาดมีแฟนมีลูกก็ยังต้องมาปุ๊ต้องหนีไปเลยถ้าไปมีครอบครัวก็ไปนิพพานไม่ได้นะไปปฏิบัติไม่ได้ไปบวชไม่ได้ก็ต้องติดอยู่กับการเงียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็มีครอบครัวใหม่ แล้ก็มาทุกกับการดูแลเลี้ยงดูครอบครัวมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างสลับ ก, กันไปก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าจะไปทางนี้ก็ต้องซื้อประกันไทยไว้ประกันความทุกข์จะ <fish> ทาให้นุกน้อยก็เนี่ยต้องมีศีลทาทานรักษาศีลภาวนา พยายามสร้างธรรมะสี่ข้อนี้ขึ้นมาสร้างจาระสร้างสัจจะสร้างธรรมะสร้างขันติแล้วก็จะพอที่จะรับกับความทุกข์ต่างๆำทำตัวอยู่คนเดียวมันก็ทุกข์เหมือนกันคนเดียวมันก็มีความทุกข์แต่มันทุกข์น้อยกว่าตัวแปรมันน้อยกว่า แต่มันจะไปทุกข์หนักที่ความเหงาความว้าเหว่เป็นไงพูดอย่างนี้แล้วแ <c oughs> รู้อย่างนี้ไม่มาดีกว่าทูกร์แล้วขับที่มาไปสายเกินแก้นะเดี๋ยวจะเอาสีข้อไปบอกแฟนด้วยนะคะอะ๋อยังไม่บอกเ็าเลย <c oughs> บอกตัวเราดีกว่าจะ <c oughs> ไ, ได้ทำไปไดก้กันอ๋อมันยาก <c oughs> การที่จะไปบอกเขานี่ เหมือนเหมือนกับไปบังคับเขาเลยพอไปบอกเขานี้ไปบังคับเขาแล้วนอกจากถ้าเขาปรึกษาเราเห่าใกล้ไปอย่างถ้าเราไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนกับเราไปไปบังคั บ, ขบเขาได้แล้วถ้าเขาไม่พร้อมที่จะปฏิบัติสี่ข้อนี้เขาก็จะรู้สึกตึดอัดเนี่ยบนศาลายังว่างนะครับมีไว้สำหรับตัวเรานะส่วนเขาจะมีไม่มีก็เรื่องของเขา ต้องไหนสบายก็นั่งนะมีอะไรหรือเปล่ามาจากที่ไหนกันมาจากสำุงคค่ะเด้อมาทำอะไรนะมาฟังเทศมีคำถามพระอาจารย์เกี่ยวกับสติสมาธิแล้วก็ปัญญาครับพระอาจารย์เคยสอนว่า ก่อนที่เราจะทาสมาธิเนี่ยบางทีเราก็ฝึกเจริญปัญญาไปก่อนได้อย่างเช่นมองทุกอย่างให้เป็นไปหลังอย่างนี้ครับ <c oughs> แต่ว่ามีคนมาบอกผมเหมือนกันว่าการที่เราจะมีปัญญาที่แท้จริงเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีสมาธิที่ถึงขั้นหนึ่งก่อนไม่งั้นปัญญาที่เรามีอาจจะเป็นปัญญาที่จิตเรามันอาจจะตรุงแต่งขึ้นมาเองอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงล่ะครับเหมือนว่า อย่างบางทีถ้าเรามีสมาธิฟังธรรมจากพระอาจารย์เราก็เข้าใจเราก็น้อมรับทุกอย่างอันนั้นเป็นปัญญาชั่วคราวหรือว่าอาจจะไม่ใช่ปัญญาก็ได้อย่างเงี้ยครับก็คนแต่ละคนก็มีสมาธิมีมากน้อยต่างกันคนที่เขามีสมาธิมากถ้าเข้าใจปัญญามันก็อาจจะเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาได้ฉังั้นต้องดูที่ตัวของตัวเอง ว่าถ้าคิดไปในทางปัญญาแล้วทำใจให้สงบได้มันก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าคิดแล้วมันมันไม่สงบมันก็ยังไม่เป็นปัญญามันเป็นความคิดปรุงแต่ยังระ ง, งับดับความอยากไม่ได้บางคนในชาติก่อนๆเขาอาจจะเคยมีสมาธิมาแล้วก็ได้เราไม่รู้ว่าในใจของแต่ละคนนี้ระดับสมาธิของแต่ละคนนี้มีเท่าไหร่ บางคนมีมากแล้วก็คิดในทางปัญญาเป็นเขาก็อาจจะสามารถทำใจเขาให้สงบได้ด้วยการใช้ปัญญาซึ่งมันมีน้อยส่วนใหญ่มันปัญญามันก็น้อยคิดไม่เป็นคิดในทางปัญญาก็คิดไม่เป็นสมาธิก็มีไม่มากมีแต่ความฟุ้งซ่านคิดไปแล้วก็ฟุ้งซ่าน อย่างนี้ก็ใช้ปัญญาก็ไม่ไม่มีปัญญาคิดตายแล้วก็คิดไม่เป็นคิดไม่เที่ยงไม่รู้ว่าความว่าไม่เที่ยงนี่มันมันกว้างขวางลึกซึ้งมากน้อยเพียงไรแล้วมันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจในขณะนั้นด้วยตอนนี้ใจไม่สงบเพราะอะไรต้องใช้ปัญญาที่จะมาทำใจให้สงบ ถ้าไม่สงบกับเรื่องแฟนนี้ถ้าไปไปคิดเรื่องอื่นนี่มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้มันก็ต้องมาพิจารณาตอนนี้เราวุ่นวายกับเรื่องแฟนเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าแล้วเราไปบังคับเขาควบคุมเขาได้หรือเปล่าสั่งให้เขาเป็นตามที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราเห็น มันก็ตรงประเด็นกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นคนที่จะใช้ปัญญาก็ต้องรู้ว่าจะเอาปัญญามาใช้กับเรื่องใดต้องมีปัญญามองเห็นปัญหาก่อนว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่อยู่กับเรื่องอะไรเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องแฟเรื่องเงินทองเรื่อเรื่องอะไรร้อยแปดพันประการที่มันมาขัดขวาง การทำใจของเราให้สงบถ้าเราไม่มีปัญญาก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปตัวกรรมไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดอันนี้มันง่ายกว่าโอกาสที่จิตจะสงบด้วยพุโทโธนี่มันง่ายกว่าการที่จะมาใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตายตัวถึงจะพูดไม่ได้ว่าคนนี้ ใช้ปัญญาแล้วไม่เป็นปัญญาคนนี้ใช้ปัญญาแล้วเป็นปัญญามันก็ต้องแต่ละคนต้องพิสูจน์ตัวเองดูว่าปัญญาของตอนนี้เป็นปัญญาหรือไม่ดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจได้หรือไม่วันนี้ก็มีคนทยอยมาเรื่อยๆนี่ก็จบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะโยงจบไปครึ่งเรื่องนะ สามโมงบนยังว um ่างอยู่ครับตรงไหนนั่งนั่งได้เลยครับานบนาาก็ยังว่างนะครับม้ีนะครับใครมีอะไรอยากจะประเคนถวายก็เข้ามาได้นะอยากจะถวายข้าวของอะไรเปขนคองโกงจค่ะองเลยต่างไทยต่าไทยไม่เป็นของขององตงหยันองตงหย พูดได้แค่นี้แหละแม่เป็นกวางตุ้งแม่เราเป็นกวางตุ้งแต่เขาไม่เคยพูดวังตุงต้งกับเราอยู่บ้านพ่อพอเป็นใต้จิว๋วมันก็เลยพูดภาษาไทยกันยังไม่ได้พูภาษาจีนแต่ได้ภาษาจีนตอนที่ไปอยู่กับย่า เพูดแท้จิวเคยพูดแท้จิวได้ตอนเด็กๆแล้วก็เคยไปอยู่กับญาติาทางแม่เขาก็พูดฟังตุง้งก็พอพูดได้อยู่พักหนึ่งแล้วตอนหลังก็ไม่ได้พูดก็เลยตอนนี้พูดไม่ได้มาจากที่ไหนจากจุลรีครับพอดีาครับเด็กกำรัมมครับ กิจกรรมอะไรเลยทำทีวิดิ้งของพนักงานบริษัทนีกุญแจก็พามาอบริษัทค้าขายอะไทําทําเลนปรับแสงครับเลนปรับแสงครัเลนแว้นตาเลนแว่นตาเลนตาที่เอาใส่นี่แหละครับนี่ครับปรับยังไงก็คือถ้าเกิดออกแดดก็จะปรับเป็นสีเทาครับเป็นแว่นใสตาที่เข้ามาในที่ล่องไจะปรับเป็นสีใสๆมันปรับได้เปลี่ยนเป็นสีได้เลยครับอ ขายดีั้มแบบนีข้ขายขดีครับแต่มันแพงใช่ไหมครับมันใช้เทคโนโลยีอะไรไม่ทราบเหมือนนึกปรับสีได้ใช้สาทาี่มีโอ้ที่มันเป็นโฟิที่มันเซนซิทีฟต่อแสงนี่แหละใช่ครับแสงระดับหนึ่งมันก็จะเป็นสีหนึ่งใช่ครับถ้าสารน้อยมันก็จะใสขึ้นใสขึ้นอย่างนี้นะขาวขึ้น ถ้าแสงมากมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นก็จะได้ไม่ต้องพบเมตตาสองแบบสองแบบทันแดดกันอดีนะทันสมัยดีเรามีแบบทั้งมีมีทั้งดูใกล้ดูไกลในในอันเดียวกันด้วยแต่ยังทำไม่ได้ก็ททำให้คนตาบอดเป็นตาดีได้ เข้ามาปุ๊บเปิดทางให้เขาเข้ามานหน่อยเป็นยังไงสบายดี น, นะมีอะไรอยากจะถามไหมหลวงพ่อครับอพอดีมีข้อสงสัยในใจ น, น, นิดนึงว่าการที่เราจะจะตีกตัวมาทางเรือตาม ทางทางของพ่อเนี่ยปัจจุบันถือว่าติดภาระราในส่วนของพ่อแม่เนี่ยคือเราอยากตอบแทนท่านโดยการพยายามหาธุรกิจให้ท่านให้สามารถเลี้ยงดูอยู่ได้ด้วยตัวเองครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่คือที่ พ, พ่อแม่เนี่ยเขามีอยู่มาติาดภาระแต่เขาพยายามไม่ทําอะไรเลยเขาให้คนเช่าต่อผมพยายามหาทุนตัวเองเพื่อจะไปให้ใหเขาทาเป็นทสนาสวนไผ่ครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ ฝุดคลองแล้วเนี้ยครับขุดคลองฝุดสาแล้วแล้วก็ได้ได้พรจากหลวงพ่อไปว่าไปที่ไหนจะได้าขาดน้ําที่หลวงพ่อหลวงพ่อเคยให้ต่อที่ผมเคยมาถวายน้ำหลวงพ่อครับ <S <S 2> <S 2> แต่ก็จริงครับขุดไปปุ๊บน้ํามีหมดเลยที่น้ำข้างก็ทําน้ำตังเลยไี่มีน้ําแต่ที่ผมมีน้ําก็ดีใจอย่างนึ่งนะครับแต่นี้คือประเด็นคือสิ่งที่ผมทําเนี่ยตอบแทน ค, คุณท่านเนี่ยก่อนที่จะเดินทางตัดทางโลกไปเนี่ยนะครับ มันเป็นการถือว่าเป็นเกเรเป็นการทำความตามความอยากของเองหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นความอยาก <c oughs> ที่เป็นโทษมันเป็นความอยากที่เป็นคุณมันจะได้ทำให้เราได้ไปบวชไปปฏิบัติทําได้มันก็เป็นความอยากที่ดีมันมีความอยากที่ไม่ดีกับความอยากที่ดีความอยากที่พระเจ้าให้ละคือความอยากที่ไม่ดี ที่ทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่ความอยากที่ทำให้เราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีเช่นอยากไปบวชอยากไปปฏิบัติธรรมอยากให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกังวลอันนี้ก็เป็นความอยากที่ดีถ้าทำได้ก็ทำไป แต่ต้องมีขอบเขตว่าถ้าเกิดทำแล้วทำไม่ได้ก็ต้องยอ ม, ออมทำไม่ได้อย่าไปทุกข์กับมันเราก็ต้องทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะถ้าเราไปแล้วเรากังวลกับเรื่องพ่อเรื่องแม่เราก็จะไปแบบไม่สะดวกไปแบบปฏิบัติอาจจะไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้า ครอบยห่วงหน้าห่วงหลังนี่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไปเพราะเวลาเราไปแล้วเรารู้สึกว่าพ่อแม่สบายแล้วเราไม่ต้องกังวลกับเขาแล้วนี่มันก็ไปได้ดีเราก็ต้องอตัดภาระต่างๆให้มันหมดไปก่อนก่อนที่เราจะไปมีภาระทางครอบครัวทางบ้านอะไรก็ต้องทําให้มันเรียบร้อย มาเดบล้านแล้วไปก็จะสบายหายห่วงอนาลโยชื่อชื่อของหุวงปู่้าวชื่ออนาลโยแปลว่าหายห่วงผู้ไปบวชนี้ต้องไม่มีห่วงถ้ายังมีห่วงก็ก็ยังไปไม่ได้ไปไม่รอดไปแล้วยังไปติดอยู่นั้นมีอะไรที่เป็นเป็นห่วงเราต้องพยายามกําจัดมัน พระพุเจ้าพอได้ข่าวว่าได้ลูกท่านก็บอกบ่วงได้บ่วงบ่วงก็ห่วงเงี้ยเห็นต้องรีบไปเลยถ้าอยู่นานอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันจะใจอ่อนจะไปไม่ได้เห็นการาการกระทำอะไรที่ทำให้เราได้ไปบวชไปปฏิบัติไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดี แต่การกระทํำอะไรความอยากอะไรที่ทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นความอยากที่ไม่ดีเทนอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศสารเสริอนี่ไม่ดีเพราะมันจะทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพอจะเข้าใจนะเราอยากจะถามอะไรดีว่า คือมีหลายครั้งที่ฝันเกี่ยวกับเครื่องเปรตมาขอส่วนบุญนะครับในฝันก็จะเป็นวันสามตี่ที่ น, นะครับเป็นเปรตคอยาวแล้วก็เปรตหัวยุ่งล่างของตัวบางทีก็เป็ตตัวสุดนะครับแต่ในฝันน่าสกดคือเราก็แผดแว่นตาเขาเขาเดินมาสรงสูงเลอใหญ่ครับแล้วพอเรแผดเวต่ตาตัดแว่นตาเขานั่งมือไหว้แั้พครั้งหนึ่งก็เป็นคนเผู้หญิงนะครับ ดำเล็กครับจะถามว่าเก็บที่เราเคยฝันแต่ละครั้งเนี่ยคนใหญ่จำเป็นเลยว่าเป็นยาติกันมาตลอดนะครับก็เป็นความฝันเนี่ยความฝันบางทีก็เป็นความคิดของเราเองไม่ได้เป็นตัวจริงเข้ามาเราใจเราปรุงแต่งไปเองอั้นมันจะเป็นจริงไม่จริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรวิธีปฏิบัติก็คือให้ พิจารณาว่ามันเป็นตายลักไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปทุกข์ควมไปกับมันไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นใครจริงหรือไม่จริงเพราะว่าพอผ่านมาผมจะไปททำปนสถานทันทีทำได้ก็ทำไปอันไ ห, หนทำให้สบายใจก็ทำไปอันไ ห, หนทำแล้วให้เราไม่สบายใจก็หยุดทอถ้าเรา คิดแล้วไม่สบายใจก็หยุดคิดปล่อยมันไปมันผ่านไปแล้วไม่ใช่เรื่องของเราควรลดพูดคุด้วยนะครับพ อ, อจ้เข้าใจไหมอาจารย์มีคำถามในชีวิตจริงนิดหนึ่งนะครับก็คือผมเนี่ยจะมีคอนโดอยู่ในเมืองแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะอยู่แถวชานเมืองครับก็เลย ก็จะอยู่คอนโดสักอาทิตย์ละสามสวันหรือว่กคุแม่34วันทถวนี้คือเราก็เข้าใจว่าท่านเนี่ยรักเรามากคือท่านทําทุกอย่างให้เราเราก็รักท่านมากคือเราพยายามทําทุกอย่างที่จะตอบแทนพระคุณนะครับแต่ว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าเวลาเรากลับไปที่บ้านอยู่กับครอบครัวเนี่ยจิตเราจะไม่สงบเนื่องจากอาจจะเป็นครอบครัวคนจีนโดยจะพูดเสียงดังเวกบยวยวายเราจะเป็นพวกคือเราก็อาจจะมีสติยังไม่ แข่พอที่จะแบบปล่อยวางมันไปครับเราก็จะรู้สึกจิตใจไม่ค่อยสงบก็จะทำให้อยากอยู่ที่คอนโดเพราะอยู่คอนโดเราสงบ อ, อย่างนี้เราแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนเราแบบตัอยูหรือว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อยากจะไปใช้เวลาตอบแทนพระคุณคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้พระอาจารย์มีแนวคําสอนแนวคิดยังไงจะแนะนาบ้างหรือเปล่าครับ มันก็เพื่อเหยว่ามีเหตุผลที่จะต้องไปหาเขาไปอยู่กับเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่เห็นจะจําเป็นจะต้องไปอยู่กับเขาไปหาเขาการไม่ได้ไปอยู่ไปหาเขาไม่ได้แสดงว่าเรามีความอคติอยู่ในเมื่อเขาสุขเขาสบายเขาไม่เดือดร้อนเราไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเราเราก็ไม่ต้องไปก็ได้คิดถึงกา ร, กรโทรไปคุยกันหนาทีสิบนาทีก็พอละแสดง อ, อ ความน้ำใจว่ายังคิดถึงกันอยู่ถามสาระถ้าเดือนร้อนต้องการให้รับใช้ให้ทำอะไรก็ไปถ้าไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องไปก็แยกกันอยู่แก่ที่พูดแล้วความอยากอยู่คนเดียวเพื่อให้จิตสงบนี้มันก็เป็นความอยากที่ดีความอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ดีแต่ถ้าไปอยู่แล้วมันทำให้จิตเราวุ่นวายก็แสดงว่า ม, มันไม่ดี ก็ไปเฉพาะเวลาที่มันจำเป็นจริงๆต้องไปถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปพรุทธเจ้าก็ไม่ได้กลับไปอยู่ในวังกับพ่อกับแม่ไม่ใช่ท่านออกบวชแล้วแต่ท่านก็สามารถสั่งสอนพ่อแม่ให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อันนั้นวิธีการตอบแทนบุญคุณไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ด้วยกัน ถ้าเราสอนพ่อแม่ให้ทําบุญทําทานได้ให้รักษาศีลได้เราก็ช่วยพ่อแม่ให้พ้นอบายแล้วถ้าเขาทําบุญมากกว่าทําบาปตายไปเขาก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันก็อยู่ที่สองฝ่ายอยู่ที่เราอยู่ที่เขาด้วยอยู่ที่เราก็คือเรามีความรู้หรือไม่อยู่ที่เขาว่าเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่เราพูดหรือไม่ ถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้หรือถ้าเราไม่รู้เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่มันไม่ได้เป็นการอาการตันอยู่มันมันเป็นมันเป็นเรื่องของความไม่มีความสามารถไม่มีความพร้อมพอที่จะทําประโยชน์ให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นก็ก็แยกกันอยู่ได้ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ร่วมกันเช่นเขาไม่มีใครแล้วเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เราเราก็ต้องไปอยู่หรือถ้าเราไม่อยู่เราก็หาคนไปอยู่แทนเราก็ได้ไปจ้างพยาบาลจ้างเด็กให้อยู่รับเแล้วเราก็คอยโทรติดต่อคุยกับเขาก็ได้ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องตัวเราต้องไปที่นั่นตามใดคือผลทำให้เขาอยู่อย่างสุขกสบายได้ก็เหมือนกัน เราไปอยู่กับเขาให้เขาสุขสบายหรือเราให้คนอื่นไปอยู่กับเขาแทนแล้วเขาก็อยู่สุขสบายมันก็ได้ผลเหมือนกันคื อ, อที่เราที่เราจะจริงๆมันก็เป็นความอยากของตัวเองครับอาจารย์เพราะว่าเราอยากจะทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากคือเขาอยู่สุขสบายทางด้านร่างกายนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับอาจารย์แต่ว่าบางทีเรารู้เลยว่าเขาเนี่ยจะเป็น อยากจะไปเที่ยวกับลูกอยากจะอยู่ใกล้ๆ ล, ลูกซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะไปเที่ยวไหนแล้วอย่างนี้ครับแต่พอเราให้ความสุขทาลรูปรดกิ่นเสียงเขาไม่ได้บางทีเราก็จะเก็ตมารู้สึกผิดเองมันผิด ต, ตรงไหนละก็ความอยากในรูปเสียงกิน่นรถก็เหมือนกับอยากเสพยาเสพติดดีๆนี่ก็ทําไมไม่ซื้อเหล้าให้ก็กิน <laughs> ทําไมไม่ซื้ อ, อยาเสพติดให้เขาเสพ มันก็ติดเหมือนกันพาก็ไปเที่ยววันนี้เนี๋ยพรุ่งนี้เขาอยากให้พาไปใหม่ซื้อพาเข้าไปวัด ไ, ดไม่ดีกว่าพาก็ไปนั่งสมาธิดีกว่านั่งสมาธิได้เขาก็อยู่บ้านได้ไม่ต้องไปไหนงนั้นความอยากบางอย่างมันเป็นโทษก็ต้องไม่ทำไงความอยากอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ทําไป คือได้บุญอันนี้นั่งสมาธิจเจริญสติขาได้บุญเหมือนกันใช่ไอ่าได้บุญมากกว่าทําทานในการรักษาศีลอันนี้ในการนั่งสมาธินะครับอ่านั่งถึงระดับไหนครับถึงจะได้บุญหรือว่าถึงเวลาที่มันได้บุญไงเวลามันสงบในความสุขมันก็ได้ความสุขก็คือบุญนี่ไงความสุขใจคือบุญต้องถึงขนาดว่าจิตวมหรือเปล่าครับมันก็ต้องรวมมันถึงจะสงบมันถึงจะมีความสุข ถ้ายังไม่รวมมันก็มีสุกบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับกินเปลือกกล้วยกับกินเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยมันก็มีรสชาติเหมือนกันแต่ม่ไม่อร่อยเท่ากับเปลือกกล้วยมันรสชาติมันสู้เนื้อกล้วยไม่ได้เวลาจิตยังไม่สงบเวลาเราพุทโธพุทโธไปนี่มันก็เริ่มสัมผัสกับความสงบในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สงบถึงตัวเนื้อมัน ถ้าจิตรวมแล้วมันนิ่งสงบนี่มันก็จะได้สัมผัสกับความสุข<ม>เต็มรูปแบบแล้วสมัยก่อนที่พระอาจารย์ยังยังไม่ได้บวชนะพระอาจารย์ใช้เวลานั่งสมาธินานนะครับกว่าที่จะจิตจะรวมก็ไม่ไม่แน่นอนบางทีก็นานบางทีก็ไม่นานอยู่ที่สติบางวันสติดีมันก็ปั๊บเดียวมันสมัยนสติไม่ดีก็นานหน่อย ก็ต้องพยายามเจริญสติฝึกสติไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้นั่งนี่ก็ต้องคอยควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับการกระทำของร่างกายไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆและเวลามานั่งมันก็จะสงบมีใครอยากจะถามอะไรไม่มีจะได้ให้พรก่อนเผื่อคนที่มานานแล้วเขาอยากจะกลับจะได้กลับได้ แเรายังไม่เลิกนะเราจะอยู่ต่อถึงสี่โมงเดี๋ยวจะมีการถามตอบปัญหาจากทางบ้านถ้าใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็ฟังได้ตอนนี้จะให้พอนก่อนญา่าโยมที่มาทางนู้นมีอะไรอยากจะคุยอยากจะถามไหมอ่างเท้ย์ใช่ไหมฮะ เวลานน้าสมาธิหึือทำจิตศึกมีดที่ที่ที่การภาวนาคะจะจะนิ่งกว่าสีปกติจะสีหน้าเป็นปกติแล้วค่ะจแสีแฝดจะได้จะได้คลื่นได้กำลังมากกว่าใช่ค่ะกำลังมากกว่าแล้วเวลาจะสมาทานค่ะโยมไม่ได้ไม่ได้เคถามคุณพอาจารย์ไม่ต้องสมาทานแล้วคือตั้งจิตตั้งจิตของแล้ว่าวันนี้เราจะรักษาสีแฝดเราก็รักษาไปเปเกตตัวเองเลยค่ะเวลาเจริญ ร, รัางภวนาค่ะสินแตกคือจะแบบจิตจะสมบูรเร็วกว่าค่ะคืออืมความอยากมันน้อยลงมนันความอยากมันถูกคุมไว้<ม>แต่อยากกินก็กินไม่ได้ล้วหลังเที่ยงวันเพราะว่าตอนเมื่อก่อนก็ไปได้คะทุกวันค้างเงี้ย ไ, ไม่มีงานไม่มีอะไรจะเป็กนกทุกวันค้ า, าคสิ่งแปรปฏิบัติธรรมที่ว่ดนะคะเลยอยายโย น, นจะเริ่มเริ่มซื้อขันสารนี่ค่ะ<ต>เอาที่บ้านก็ได้สินสินมันอยู่ที่ตัวเรารอืช่วงวันนี้ เอ่ใช่ถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วมันทำได้มันไม่ยากเลยนยากก็คือทำทำได้ได้มันยากง่ายเท่านั้นเองถ้าทำที่บ้านนี่มันอาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยมันทาไม่ยากหน่อยถ้าอยู่ที่วัดอุปสรรคมันน้อยกว่ามันง่ายกว่า แต่ทําได้ถ้าเรามีความอยากจะทําแล้วไม่มีอะไรคนก็ปีนภูเขาที่มาลายได้รักษาศีนแค่แปข้อนี้มันรักษาไม่ได้การรักษาศีนอย่างเมื่อเช้านี้ประเทศไปแล้วมันง่ายกว่าการไม่รักษาเพราะการรักษาก็คือให้อยู่เฉยๆใช่ไหมมันง่ายกว่าการที่จะไปหาข้าวกินเนี่ยการไม่กินกับการหาข้าวกินนี่อันไหนง่ายกว่ากันใช่ไหมอยู่เฉยๆนี่ก็ ไม่กินอะไรมันก็ไม่ต้องเป็นเหนื่อยถ้าอยากจะกินก็ต้องไปหาข้าวมากินการรักษาศีลง่ายกว่าการทาผิดศีลเพตั้งใจเไม่หน่าายจางเพรเคยๆแล้ะเคย้แต่เด็กๆ็ค่ะเอกรื่องเรื่องกินเรื่องแอมยมกินน้อยกินแล้วปัญหามันอยู่ที่ความอยากเท่านั้นที่มันทำให้ยากพออยากกินแล้วนี่โอ้โหมันต้องกินไม่กินแล้วรู้สือมันจะตายให้ได้ แต่ความจริงอยู่เฉยๆมันง่ายกว่าการที่จะไปหาอะไรมากินใช่ไหมนี่มันอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เพราะความอยากของเราที่เรามาปฏิบัติกันกนี้ก็เพื่อ ม, มาแก้ไอ้ตัวเนี้มาทำลายไอ้ตัวเนี้ที่ทาให้เรารักษาสีทไม่ได้ที่ทำให้เราอยู่เป็นสุขไม่ได้กะเพราะความอยากนี่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะเฉยๆอยู่เฉยๆอยู่สบายไม่ต้องทาอะไร มีความสุขอันนี้ต้องทําอะไรถึงจะมีความสุขต้องกินถึงจะมีความสุขพออยากกินขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารักษาได้ก็ดีถ้าเราจะมัวมารอว่าต้องมีเวลาไปวดัดมันอาจจะไม่มีเวลาก็ได้เนี่ยต้องรีบทำเสียอยู่ที่ไหนทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้แปดข้อเอาซะหข้อเจดข้อก็ยังดีดีก็ไม่ทําเลย แต่ถ้าทำได้ครบก็ยิ่งดีใหา่ทำครบแล้วก็ต้องนั่งสมาธิด้วยยิ่งการรักษาศีลนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงคือการนั่งสมาธิการภาวนาการภาวนาจะทำได้ก็ต้องมีศีลแปดช่วยถ้ามีตัวช่วยแล้วไม่ไปภาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเราต้องการรักษาศีลแปดเพื่อเราจะได้มีกาลัง ไปภาวนาไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบคราดว่างไหมาสัการครับคือผมมีข้อข้อใจเกี่ยวกับ เ, เคยเคยฟังขึ้นมาหลายที่แล้วก็มีเกี่ยวกับพระพุทธทิ์แล้วก็พระอริยะบุคคลตกตา่างกันเหมือนยังไงบางทีเขาบอกว่าบรรลุพระอริยะแล้วแต่ ว, ว่าอยากกลับมาช่วยโลกก็เลยเป็นพระพธธุทธตว์ก็เลยงงว่ากลับได้ไหมเกิดพูดแบบไม่ดูเรื่องกันไง คืออะไรก็ อ, อะไรจราไม่ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปฟังใครก็ไม่รู้เห็นไหมเราควรจะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วเราจะได้ไม่สับสนนะคือเราต้องเข้าใจคําว่าพระโพธิสัตว์ก่อนว่าเป็นนะเป็นใครเป็นอย่างไรนะพระโพธิสัตว์ก็เือเป็นคนปุถุชนธรรมดาที่ยังมีความโลภเกิดหลง ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับพระอริยะเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าของเราตอนที่บำเพ็ญก็เป็นเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอรหันยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นอริยสัจสี ท่านก็ยังเป็นปุถุชนแต่ท่านอยากจะเป็นพระอริยเจ้าแต่ไม่มีใครสอนท่านท่านก็เลยต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอในที่สุดก็เจอเอาไว้ก่อนเมืก่อนมาเลยในที่สุดก็เจอทำตอบเจออริยสัรรย์ส<อ>ี่พอเจออริยสั์สีก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เมื่อเป็นถึงขั้นระดับพระอรหันต์ก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้ายัางเป็นพระโสดาบาล น, นี้เป็นพระอริยะเจ้าขั้นแรกนี้ถ้ายัางไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดครั้งก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าขั้นที่สองพันส ก, กิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียว ถ้ามนุษย์ถึงขั้นที่สามก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกของมนุษย์แต่ยังไปเกิดในโลกของพรหมอยู่ถ้าเป็นขั้นที่สี่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่กลับมาเกิดในในโลกจะไปอยู่ที่พระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเข้าใจหร้ยังคำว่ามันจะเกี่ยวโยงไปที่พุทธภูมิกับสาวกูครับ ก็สาวกภูมิก็คือผู้ที่ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพระพุทธภูมิก็คือต้องสอนตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ไม่มีอาจารย์ที่จะสอนท่านได้ท่านก็เลยต้องสอนตัวเองคนคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก็เลยได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาผู้ที่มารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกเป็นพระอาลัยตัสาวก พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหันตะัสา ม, มาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันคือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันสิ้นกิเลสเหมือนกันต่างกันตรงวิธี ท, ที่ที่ทำให้ตัวเองสิ้นกิเลสพระพุทธเจ้านี้ต้องทําด้วยตัวเองไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้ส่วนพระสาวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องหาความรู้ด้วยตัวเองมีคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว พอได้ยินคำสอนก็เอาอไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็บรรลุได้ง่ายกว่าเป็นการเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับคุณต้องหาปริญญาเอกด้วยตัวเองกับไปเรียนในมหาลัยนี่อันไหนมันจะง่ายกว่ากันแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีมหาลัยจะเรียนคุณจะทำไงคณก็ต้องเรียนเองเรียนเองถ้าคุณไม่มีความสามารถพอคุณก็จะเรียนไม่จบ แต่ถ้าคุณมีความสามารถพอคุณก็เรียนจบพอคุณจบัะปริญญาเอกคุณก็มาตั้งมหาลัยสอนคนอื่นได้คนอื่นเขาก็ไม่ต้องไปเรียนเองม า, มาเรียนจากคุณเรียนแป๊เดียวสี่ห้าปีห้าปีเจปีก็ได้แล้วสาวกับพุทธภูมิมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกได้ส่วนใหญ่นี่เราคนที่จะเป็นระดับพุทธภูมินี่มันหนึ่งใน เพชรน้ำหนึ่งพูดง่ายๆส่วนสาวกภูมินี้มันแบบเพชรธรรมดาหาง่ายกว่าหาเพชรน้ำหนึ่งยังส่วนใหญ่นี้ต้องรองให้มีเพชรน้ำหนึ่งปรากฏขึ้นมาเราเอาศัยบา ร, รมีของเพชรน้ำหนึ่งเพื่อที่จะได้มาเป็นเพชรพวกที่เป็นสาวกภูินี้คือไม่มีปัญญาที่จะสามารถที่จะค้นคว้าหาทางหลุดพ้นได้ด้วยตนเอง ต้องรอให้คนที่รู้ทางแล้วมาสอนส่วนคนที่หาทางได้นี่เป็นระดับที่หายากที่สุดนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งในการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งมันถึงแสนยากเย็นมากห่างกันเป็นกับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสลมสักครั้งหนึ่งเพราะคนที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะค้นพบ ทางสู่การหลุดพน้นนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากแต่คนที่รอให้คนมาบอกว่าทางที่จะไปสู่การหลุดพน้นนี้อยู่ตรงไหนนี้มันก็ไปได้อย่างง่ายดายเหมือนคนที่ต้องทำทางจากที่นี่ไปเชียงใหม่เองกับคนที่มีถนนแล้วเนี่ยใครจะเดินทางง่ายกว่ากันถ้าเราต้อ ง, งสร้างถนนจากนี่ไปเชียงใหม่นี่ไม่รู้กี่ปีจะเสร็จนะ แต่ถ้าเขามีทางสร้างให้เรา ว, วิ่งไปเดียวเดียวไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงลว <Yeah. S 1> นี่คือความแตกต่างระหว่างพุทธภูมิกับสาวกภูมิ <Yeah. S 1> ที่ต้องเป็นพุทธภูมิก็เพราะว่าไม่มีใครสอนเพราะพุทธเจ้าก็ตอนต้นก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เขาสอนได้ในระดับแค่พรหมโลกแค่ฌานสมาธิแต่ไม่มีปัญญา ร, ระดับ อ, อริยสัจสไม่มีใครรู้อริยสัจสี ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาความรู้อันนี้ด้วยตนเองลองผิดลองถูกในที่สุดก็สามารถที่จะค้นพบความจริงได้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่เกิดมาจากความอยากของเรานี่เองพวกเรามีความอยากกันเรายังไม่รู้เลยว่าความอยากนี้เป็นตัวทาให้เราทุกข์กันใช่ไหมพออยากป้าแม่ต้องทำตามความอยากทันทีใช่ไหอยากมีแฟนนี่ต้องไปแต่งงานนะ การที่เือกําลังไปสร้างความพอเกิดความอยากนี่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมองไม่เห็นแล้วว่าที่อยู่เฉยๆไม่ได้ที่ต้องไปมีแฟนเพราะความอยากมีแฟนถ้าเลือกอยากมีแฟนได้มันก็อยู่เฉยๆต่อไปได้ไม่ต้องไปมีแฟนให้เหนื่อยยากแต่กิเลสมันหลอกให้เราหลงว่าการมีแฟนแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์มันก็เลยทําให้อยากจะมีกันแต่คนฉลาดมันเห็นว่าการมีแฟนนี่มันเป็นการไปตกนรกเนี่ย มันก็เลยหยุดความอยากดีกว่าพอหยุดความอยากแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปมีแฟนเรื่องนี้ขนาดพวกเรานี่มีศาสน า, าพูดธมาบอกยังไม่เชื่อกันเลยยังมองไม่เห็นเลยแต่ที่จะปฏิบัติตามก็ไม่ปฏิบัติตามกันเนีถ้าทุกคนมีความสามารถระดับสาวกภูมิก็ได้เป็นมารหานกันทุกคนสาวกภูมิก็คือเขา เห็นตามที่พระเจ้าทรงสอนบอกเออความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพวกถ้าเห็นอย่างเงี้ยเขาก็จะบรรลุกันได้ไปปฏิบัติทําเพื่อไปตัดความอยากกันแต่พวกที่ยังไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กลับไปเห็นว่าเป็นต้นเหตุของความสุขมันก็เสร็จเลยมันก็จะไม่เริมอยากกันใช่ไหม มันก็จะทําตามความอยากกันไปแล้วกลับหาว่าคนที่ไม่ทําตามความอยากนี่เป็นคนโง่หรือคนคนไม่มีสังคมไม่มีน้ำจิตน้ำใจคนเห็นแก่ตัวไปคนที่มีความอยากนี่กลับเป็นคนมีน้าจิตน้ำใจเพราะจะอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะต้องมีคนอื่นถึงจะอยู่ถึงจะมีความสุขก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเป็นคนดีไปเป็นสิ่งที่ดีไป การที่ได้อยู่ร่วมกับคนอื่นแต่ความจริงที่ต้องอยู่กับคนอื่นเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันทุกข์ทุกข์เพราะความอยากแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้มันแสนจะสบายมันไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรแต่ความหลวงมันหลอกให้เราเห็นกับตาลรบปัดแทนที่จะเห็นโทษของความอยากกับเห็นคุณของความอยากว่าถ้าไม่มีความอยากเราจะมีความสุขได้ยังไงเน้ย ถ้าเราไม่อยากมีแฟนแล้วเราจะมีแฟนได้อย่างไรแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาทะเลาะกับแฟนั้นเป็นยังไงเวลาแฟนงอนนี้จะเป็นยังไงเวลาเขาไม่เอาใจเราแล้วจะเป็นยังไงให้เราไม่เห็นตอนนั้นเห็นแต่ว่าโอ้ทุกอย่างนี่บนโรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ ที่ไหนได้เหยียบไปมีแต่น้ำทั้งนั้น<笑><笑>มองไม่เห็นเพราะเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างและมองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็เลยทำตามความอยากกันเราก็มาร้องโหยร้องไห้กัน พอใจอย่างทางบ้านาครับมีคําถามนะครับอพระอาจารย์เคยบอกว่าดวงจิตของพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่นิพพานแล้วพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์จะอยากเป็นพระพุทธเจ้าไปทําไมครับอาจารย์ก็ไม่รูเ้เหมือนกันเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่ามันเท่กว่าเป็นสาวกการเป็นอาจารย์นี่มันเท่กว่าการเป็นลูกศิษย์เบางคนก็คิดว่า<_<_>อยากจะเป็นออยากจะบุษย์ด้วยตนเอง คิดว่าจะทําให้ตนเองเก่งกว่าคนอื่นแต่ความจริงแล้วผลที่ได้รับก็เท่ากันจิตศาสตร์บริสุทธ์เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าไม่มีใครตั้งใจว่าจะเป็นโพธิสัตว์ทุกคนก็ตั้งใจที่จะหลุดพ้นกันที่จะหลุดพ้นในสภาพใดก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้ลอมถ้าไปอยู่ที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์มันก็ต้อง คนควาศึกษาหาด้วยตนเองถ้ามีบา ร, ร, รมีพร้อมก็ตัดสูได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีพร้อมก็ต้องรอไปก่อนรอสร้างบา ร, รมีต่อไปจนกว่ามันจะพร้อมแต่ถ้าราหว่างทางไปเจอพระพุทธเจ้าก่อนนี้ก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเรายังอยากจ ะ, ะหาหาทางด้วยตัวเองหรือว่าเราจะไปตามทางที่พระเจ้าบอกให้เราไป ถ้าเราจะไปตามทางเราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางเดินว่าแทนที่จะสร้างบารมีโดยเฉพาะเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี่มันจะมาขวางทางของสาวกภูมิเพราะว่าถ้ายังมีความเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่นี่มันก็จะไม่มีเวลาไปปีกเวกจะไปภาวนาะเพื่อให้หลุดพ้นได้ก็จะช่องช่วยเหลือคนอื่นไปเรื่อยๆก่อน อย่างหลวงปู่มานี่ท่านก็ช่วยเหลือคนสอนคนอื่นมาจนถึงอายุ60สิบแมท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วยังไม่บรรลุสักทีท่านก็เลยไปปลีกมืเวกไปอยู่ที่ในป่าในเชียงใหม่ช่วงอายุ6 0สิถึงเจเหลืแล้วท่านก็ไปบรรลุผลในช่วงนั้นช่วงที่ท่านไปอยู่เชียงใหม่ถ้าท่านยังอยู่ที่เดิมท่านก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามาให้สอนนั่งสมาธิท่านก็สอนได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงท่านสูงสุด จิตตอนนั้นไม่ทราบว่าท่านอยู่ถึงขั้นไหนแล้วแต่ทราบว่ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็สอนได้ในแค่ขั้นที่ท่านถึ ง, งนั่นเองแต่ถ้ายังสอนอยู่อย่างนั้นท่านก็จะไม่มีเวลาที่จะไปทําความเพียรเพื่อที่จะทําให้ท่านได้หลุดพ้นท่านก็เลยไปปีกเว้ยไปอยู่คนเดียวในป่าเชียงใหม่อยู่สิปีระหว่างอายุ60สถึงเจสิปีเนี่ยในที่สุดท่านก็ได้ทําขั้นสูงสุด อันนี้ก็เป็นเพราะความเมตตาขวางไว้อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกับพระอา น, น์นี่พระ อ, อ, อ น, นุนก็อยากจะรับใช้พระพุทธเจ้า <espí> ก็เลยติดอยู่ท่านธทำที่ท่านติดอยู่20สิบปีเ <é> <ะ>พราะไม่มีเวลาไปปฏิบัติไปเปรีกวิเวกแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนี่ท่านก็มีเวลาว่างไม่มีไม่ต้องมารับใช้พระพุทธเจ้า พอมีเวลาเปรกเว้ยเพยง3เดือนท่านก็บรรลุถึงขั้นสูงสุดได้แค่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราจะมุ่งไปทิศทางไหนถ้าเรายังอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาช่วยตัวเราเองถ้าเราอยากจะช่วยตัวเราเองเราก็ต้องปล่อยเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นไว้ก่อนไปรักษาตัวเราก่อนดีกว่า มัวแต่ไปรักษาคนอื่นแต่ตัวเราเองก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่สู้ตัดเรื่องการไปดูแลรักษาคนอื่นเรามารักษาตัวเรากนให้หายก่อนดีกว่าเมื่อเราหายแล้วทีนี้เราจะมาช่วยรักษาคนอื่นไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะเรารักษาตัวเราได้หายแล้วเราได้หลุดพ้นแล้วทีนี้เราก็ไม่มีปัญหาเราไม่ต้องมีงานต้องทาแล้วทีนี้เราจะมาช่วยให้คนอื่นหุดพ้นก็ทาได้ ถ้า ไ, ได้ถึงขั้นสูงสุดด้วยถ้าเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดเรามาสอนคนอื่นให้หลุดพ้นก็เขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นถึงขั้นสูงสุดได้เพราะเราไม่มีความรู้ที่จะสอนเขานั่นเองดัง <Yeah. S 1> นั้นบางคนที่ติดกับเมตตาบา ร, รมีนี้ก็จะถือว่าเป็นพุทธภูมิกัน <Yeah. S 1> คือจะต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนที่จะช่วยเหลือตอนเอง <Yeah. S 1> ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะไป yeah. ห้หลุดพ้นได้ยั่งในที่สุดก็ต้องมาช่วยตัวเองก่อนต้องมีเวลามาปฏิบัติให้ตนเองได้หลุดพ้นก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วทีนี้ก็จะไปช่วยคนอื่นก็ช่วยได้แต่ถ้าไม่มีคนสอนเราก็ต้องสอนตัวเราเองไปแต่ถ้ามีคนสอนแล้วเอาคําสอนของคนอื่นมาปฏิบัติมันง่ายกว่า มีคำถา ม, มยังไหมมีคำถามครับเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคุณพาราดานะครับการเจริญสติเพื่อเป็นผู้รู้แล้วเราจะปฏิบัติเพื่อทิ้งผู้รู้ได้อย่างไรครับเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทิ้งผู้รู้ใครบอกให้ไปทิ้งผู้รู้เราทิ้งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่มีสติเราหยุดมันไม่ได้เราต้องใช้สติหยุดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ปัญญามาฆ่ามันอีกชั้นนึ่ง ต้องมีทั้งสติทั้งปัญญาถึงจะทําลายความโลภความโกรธความหลงได้ผู้รู้นี้ไม่มีวันตายไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ไม่สามารถทําลายผู้รู้ได้แม้แต่กิเลสตัณหาก็ทําลายผู้รู้ไม่ได้ปัญญาก็ทําลายผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้ย่อมเป็นผู้รู้ไปไม่มีวันสิ้นสุดคําถามจากคุณวิชัยนะครับเมื่อปฏิบัติขณะนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจพุโทโธขณะที่ถอนออกมาพิจารณา เช่นพิจารณาถึงความสกปรก ข, ของร่างกายขณะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกำหนดลมหายใจพุโทโธใช่หรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการนั่งเพื่ออะไรถ้านั่งเพื่อความสมางบ เ, เรายังไม่พิจารณาเราอยู่กับลมหายใจไปจนกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขตตตาลมสักแต่ว่ารู้นี่นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจรวมให้ใจสงบ เพื่อใจจะได้มีพลังมีความสุขมีอุเบกขาตอนนั้นเราไม่ต้องการจะพิจารณาอะไรเลยถ้าเรานั่งเพื่อพิจารณานี้เราไม่ได้นั่งเพื่อความสงบแล้วเร า, านั่งเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้โสกปกแต่ไม่ใช่ร่างกายของเรานะร่างกายของคนที่เราไปหลงลักนะถ้าเราเห็นร่างกายเขาโสกปปกเราจะได้ไม่ลักเขาเนี่ยร่างกายเรามันไม่ได้มาแก้ปัญหา เราล่างกายเราสกปรกไงเราก็ยังรักมันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเห็นร่างกายของคนอื่นสกปรกนี่เราจะไปรักไหมได้เข้าใกล้กลิ่นเหม็นเหงื่อใครออกมานี่เราอยากจะไปรักเขาหรือเปล่าที่ให้พิจารณาเพื่อจะได้ตัดความหลงความความความรักตัดการอารมณ์ต้องดูร่างกายของคนอื่นเป็นหลักไม่ใช่มาดูร่างกายของเรา ดูร่างกายของเราก็ต้องดูว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อเราจะได้ปล่อยเพื่อเราจะได้ไม่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายดนั้นการใช้ปัญญานี้มันต้องรู้ว่าพิจารณาเพื่ออะไรไม่ได้นื่องจากพิจารณากับพิจารณาไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นปัญญาแล้วพิจารณาแล้วก็ใช่ว่าจะทำทำใจได้ทันทีถ้าไม่มีสมาธิไม่มีกําลังมันก็ตัดไม่ได้อยู่ดี เวลานั่งสมาธิมันต้องทําใจให้สงบอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาบางคนทีดว่านั่งพุโทโธสองสามคำแล้วก็ไปทางปัญญาแล้วอได้สมาธิแล้วนี่สมาธิยังไม่ทันได้เลยไปและฟุง้งไปฟุ้งซ่านต่อละไม่ไปปรุงแต่งต่อละคิดว่าไปไปปัญญาไม่เป็นปัญญามันไปฟุ้งมากกว่ากิเลสมันฉลาดมันไวมันหลอกเราไดะไม่รู้สึกตัว เราต้องการจะหยุดความคิดมันกิเลสไม่ยอมให้เราหยุดความคิดพอนั่งสมาธิมันก็หลอกให้เราคิดว่าไปทางปัญญานะถ้าเป็นปั ญ, ญญาจริงมันต้องฆ่ากิเลสได้ละร่างกายได้หรือยังตัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้หรือยังตัดการอารมณ์ได้หรือยังตัดความรักในราบยุทธจันทรเสวนสูงได้หรือยังถ้ายังตัดไม่ได้มันก็ยังไม่เป็นปัญญา คำถามจากคุณปิยะนะครับในการฝึกสมาธิแต่ละวันอย่างน้อยควรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อให้จิตพัฒนาสติสมาธิอย่างต่อเนื่องออคนที่เขาปฏิบัติจริงๆเขาทั้งวันทั้งคืนนแหละนอกนอกยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเองที่เขาไม่ปฏิบัติคำถามข้อต่อไปจากคุณแพทยนะครับ ควรให้ทำข้อใดครับหลวงพ่อเมื่อลูกเริ่มมีแฟนและขาดวินัยเรื่องเรียนทำให้เกตตกจากเอนทารแล้วหลวงพ่อกุ่งมากค่ะบก็ต้องเอาเรียนก่อนเพราะการเรียนนี่มันสำคัญกว่าแฟนการมีแฟนถ้าเราเรียนเรามีความรู้เราพึ่งตัวเราเองได้ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็ยังไม่เดือดร้อนถ้าเราไปพึ่งแฟนเราก็ต้องพึ่งแฟนไปตลอด ถ้าเกิดวันไดแฟนตายจากเราไปหรือแฟนทิ้งเราไปเราก็จะเดือดร้อนอย่างนั้นเราต้องพึ่งตัวเราเองให้ได้ก่อนไปเรียนไปังสือเพื่อให้มีวิชาความรู้อย่างน้อยถ้าเกิดแฟนตายไปหรือแฟนทิ้งเราเราก็ยังไปทํางานหากินของเราได้แต่เรามีความรู้แล้วทีนี้ถ้าอยากจะมีแฟนก็ไปมีได้แต่เ ว, าเวลาเวลาเขาเลิกกับเราหรือเขาทิ้งเราเราก็ยังไปทำมาหากินเรื่องปากเรื่องทองเราได้อยู่ ยังต้องเอาความรู้ก่อนแฟนมาที่หลังการหาตอนไหนก็ได้หายุสห้ากก็ยังหาได้แต่ความรู้นี้มันยิ่งแก่ยิ่งหายากขึ้นเพราะความสามารถในการเรียนรู้มันจะด้อยลงไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่หมดฝรั่งบางคนอายุ 60- 7ิไปเรียน high s c h o ูลก็มียังเรียนไม่จบเขาก็ไปเรียนของเขาแต่เขาเรียนเพื่อจะแสดงความสามารถเขาใช่มากกว่า เพราะเขาก็อยู่มาได้โดยที่ไม่ต้องอมีความรู้เขาก็ใช้วิธีอื่นไปแต่เขาอยากจะมะีมีใบประกาศว่าเขาได้เรียนจบเขาก็เลยไปเรียนกันแต่อาจจะไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ท ร, รมาหากินอะไรคำถามจากคุณภูวเดช น, นะครับตอนนั่งสวดมนต์เกิดภาวะจิตแยกออกมาดูว่าร่างกายนี้กำลังสวดมนต์ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนต้องปฏิบัติอย่างไรครับ เราไม่ไสนใจให้อยู่กับการสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราต้องการความสงบเพียงอย่างเดียวถ้ายังไม่สงบก็สวดไปเรื่อยๆคำถามจากคุณขวัญ น, นะครับตอนนี้หนูประสบปัญหาจิตตกเรื่องคนรักที่เขาทิ้งหนูไป <c oughs> และหนูนึกถึงหลวงปู่เจี้ย ว, ว่าท่านปฏิบัติจนตัดจากคนรักที่ท่านรักมากได้หนูอยากทำได้แบบนั้นหนูไม่อยากทุกข์เรื่องคนรักที่ทิ้งหนูไป <c oughs> จิตตกเรื่องกลัวการอยู่คนเดียวในบ้านปลายชีวิต อาจารย์ได้โปรดชี้แนวทางให้ผู้ยากด้วยเถิดเจ้าค่ะว่าจะมีความสุขหลังจากนี้อย่างไรและควรเตรียมจิตอย่างไรกับการอยู่คนเดียวก็มาฝึกสติสร้างสมาธิกันมาเจริญพุโทโธพุทโธกันอย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงอะไรแล้วพอนั่งสมาธิใจสงบก็จะมีความสุขแล้วความเศร้าซ้อโงหอยเงาความว้าวเวยต่างๆก็จะหายไปแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อน พยายามสร้างสติให้มากๆสตินี้จะทําให้ใจเราสงบให้เป็นสมาธิพอมีสมาธิแล้วเราก็มีแฟนคนใหม่ละเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปฟึ่งแฟนคนอื่นละแล้วแฟนคนนี้ซื่อสัตย์กับเราเรียกรับใช้เราได้ทุกเวลาพอเรียกปับป๊บก็มาเลยพอพูดโทรพูดโทรปั๊บก็มาเลยไม่ไม่ดือ้อไม่รั้นไม่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อต่อรองอะไรทั้งสิ้น แฟนที่แท้จริงของเราเนี่ยคือความสงบสมาธินี่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แะเป็นแฟนที่แท้จริงของเราไม่ทรยศกับเรางั้นมาหาแฟนจริงดีกว่าอย่าไปเอาแฟนปลอมเลยแฟนปลอมก็คือเวลาเขาชอบเราเขาก็เอาอเอาใจเราพอเขาเบื่อเราเขาก็เขาก็ใช้เราเหมือนกับผ้าคี่รีวดีๆนี่แหละอย่าเสียใจนะอย่าแต่รู้สึกทีหลัง ว, ว่าเรานี้ไม่มีคุณค่าในสายตาเขาเลย เขาไม่มีคุณค่าเพราะเราหมดคุณค่าแล้วถ้าเปรียบเหมือนมะนาวเ็าบีบน้ำไปกินหมดแล้วก็จะเก็บเนื้อมะนาวไว้ทำไมใช่ไหมเขาก็โยนทิ้งไปเราวางไว้ให้ดีคนที่ไปมีแฟนเนี่ยพาเขาบีบน้ำมะนาวไป ห, หมดแล้วาา ก, ล ก, ก็นนนอ่กบบีด <c oughs> ถามคนที่ก็แต่งงานแล้วก็ได้ถ้าไม่เชื่อถามพ่อถามแม่นนดูก็ได้ถ้า <c oughs> ด, ดย้อนกลับไปใหม่นี่จากงยังอยากจะแต่งงานอีกไหม <c oughs> ถ้ามีทางเลือกใหม่นี่คำถามจากคุณวันดีนะครับการยกธรรมะขึ้นมาพิจรารณาแล้วใจสงบโลง่งแต่พอดับทุกข์ได้แต่ไม่ต่อเนื่องวิธีอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับก็แสดงว่ายังดับ ย, ยังยังดับไม่ถาวนก็ต้องคอยใช้มันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับอย่างทาวนคคำถามจากคุณพัชรานะครับขอพระอาจารย์เมตตาสอนเรื่องฌานค่ะพอดีเมื่อวันเสาร์ได้ไปปฏิบัติธรรมบ้านเพื่อนมีพระมาสอนเป็นแนวยุบหนอพองหนอมีคนถามว่าดิฉันไปถึงฌานขั้นไหนดิฉันไม่รู้เพราะฝึกแต่จเจริญสติพุทโธพุทโธ ทำสมาธิให้จิตสงบและเกิดปัญญาเพื่อปล่อยวา ง, วางตามที่ป้าการสอนยังไม่ได้ศึกษาเรื่องฌานค่ะเหมือนกันเนี่ยในนั่งสมาธิก็กำลังนั่งฌานเนี่ยจิตก็จะสงบเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่ ส, สี่เราไม่ต้องไปรู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนเราให้ให้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงขั้นที่สี่คือมันรวมแล้วมันนิ่งแล้วเราก็รู้ว่าเราได้ถึง จุดหมายปลายทางของการภาวนาแล้วก่อนที่จะถึงจุดนั้นมันจะอยู่ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็อย่าไปสนใจถ้าไปคิดแล้วมันจะมันจะหายไปหมดต้องไม่คิดอะไรต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้ขณะที่เราภาวนาว่าเราอยู่ขั้นไหนขอให้เราภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่เรากินข้าวเรไม่มาถามว่าตอนนี้อยู่อิ่มขั้นที่ไหนแล้ว อิ่มขั้นที่หนึ่งหรืออิ่มขั้นที่สองแล้วไงเราว่ากินมันไปเรื่อยๆดังนั้งกินไม่ลงนั่นแหะพ <c> อ <oughs> กินไม่ลงก็รู้ว่าอิ่มเต็มที่แล้ว <c oughs> การภาวนาก็ต้องการให้มันสงบเต็มที่ <c oughs> พอมันสงบเต็มที่แล้วก็จะรู้วเองว่าอสงบแล้วเต็มที่แล้วมีความสุขเหลือเกินมันก็พอละ <c oughs> อย่าไปอย่าไปกังวลนะไม่ไม่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเหล่านี้เรามาศึกษาทีหลังได้เรามาเปิดหนังสืออ่าน ดูว่าชาญ์จท่นั้นที่หนึ่งมีอะไรบ้างแล้วเราเปรียบเทียบดูว่าตอนที่เรานั่งมันมีอย่างนั้นหรือเปล่าออถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะเปรียบเทียบก็อย่าไปสนใจมันมันจะทำให้เราเกิดความลังเลยสงสัยขึ้นมาโดยใช่เหตุคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามนะครับเมื่อหลายวันก่อนนั่งรถเห็นผู้ชายคนหนึ่งจอลดรถลงไปเพื่อตีงูเสียงดังแม้กระทั่งใิชันนั่งอยู่ในรถยังได้ยินเสียงชัดเจน ซึ่งงูนั้นตัวใหญ่มากที่ฉันตกใจกับภาพที่เห็นจึงได้แผ่เมตตาให้กับงูตัวนั้นแต่หลังจากหายตกใจแล้วจึงคิดว่าน่าจะลงจากรถไปห้ามเขาความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจได้แต่ขออโหสิงูตัวนั้นกับขอคำแนะนาจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็ให้ใช้อุเบกขาบ้างบางทีถ้าเมตตามันไม่ไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาคือต้องถือว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกัน เราทุกคนไม่ว่าใครก็ตามย่อมมีกรรมเป็นของของตนจะทําทกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นงูตัวนั้นก็คงกําลังรับผลจากการที่เขาเคยไปฆ่าคนอื่นมาก่อนตอนนี้ก็เลยต้องมาถูกคนอื่นฆ่าฆ่าทดแทนกันไปก็เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากมาสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราไปเปล่า เราจึงต้องรู้จักรักษาใจเราก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นแล้วต้องช่วยตัวเราเองก่อนไม่ใช่อยากไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเราก็ทุกไปอย่างนี้ผิดละ <c oughs> ถ้าเราจะช่วย <c oughs> คนอื่นต้องช่วยแบบไม่ทุกถ้าช่วยแบบทุกนี่แสดงว่าผิดละเราต้องมาดับความทุกข์ใจของเราก่อนแล้วเราถึงค่อยไปช่วยดับความทุกข์ของคนอื่นต่อไปคาถามจากคุณหนึ่งนะครับ ผมเคยได้ยินคำที่ว่าทําใจให้ว่างเพียงแค่งูแลบลิ้นมีค่าเท่ากับสร้างเจดีถึงเจ็ดอและการให้อภัยคนแค่หนึ่งครั้งมีค่าเท่ากับถวายแกงให้พระพุทธเจ้า300รอยหม้อแกงเป็นจริงแค่ไหนครับก็ความสุขมันมากกว่ากันไงความสุขที่ถวายแกงนี่มันสู้ความสุขที่ให้อภัยไม่ได้เวลาใครมาทําให้เราโกรธกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี้ยมันทุกข์มาก แต่พอเราให้อภัยก็ได้ปั๊บมันหายไปหมดเลยใจใจะเย็นจะมีความสุขขึ้นมามันจะสุขมากกว่าการไปถวายแกงให้พระพุทธเจ้าเพราะแกงนี่เป็นเป็นบุญระดับทานส่วนส่วนการให้อภัยนี่เรื่องการใจสงบนี่มันอยู่ในระดับภาวนาถ้าเป็นเงินก็เหมือนกับแบง์พันกับแบงก์ยี่สิบเนี่ยอันไหนจะมีคุณค่ากว่ากัน คุณได้แบงค์ยี่ิบมาก็ได้แบงค์พันมานี่ความรู้สึกต่างกั้ไหมอ้าวอ่นั่นแหละเวลาคุณทำทานก็เหมือนได้แบงค์ยี่สิบถวายทานขอให้แกงให้พระพุทธเจ้าก็ได้แค่ยี่สิบาทแต่ถ้าคุณให้อภัยคนได้คนได้แบงค์พันเนี่ยนี่คือความแตกต่างของบุญแต่ละชั้งคำถามเจ้คุณเพชร น, นะครับเคยอ่านเจอจากคำสอนครูบาอาจารย์ว่า การอยากได้สมาธิจะทำให้ไม่ได้สมาธิเพราะยังมีความอยากอ ย, กอยู่การที่เราปฏิบัติทุกวันเพื่ออยากให้ได้สมาธิจะทำให้เราไม่ได้สมาธิใช่หรือไม่ครับทุกวันนี้ปฏิบัติเกือบทุกวันมาปีหนึ่งแล้วยังไม่เคยได้สมาธิขั้นสูงควรทำอย่างไรดีครับคือสมาธิจะได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากมันอยู่ที่สติแต่ความอยากมีสมาธินี่มันก็ต้องมีก่อนถึงจะ เราไม่อยากได้สมาธิเราอยากไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวแทนเราก็ไม่มานั่งสมาธิกันงั้นความอยากมีสมาธิมันก็ต้องมีด้วยเพียงแต่มันต้องมีที่ของมันมีตอนที่เราเลือกระหว่างอยากไปเที่ยวดีหรืออยากจะไปนั่งสมาธิดีตอนนั้นต้องมีความอยากนั่งสมาธิถึงจะถึงจะเลิกการอยากไปเที่ยวได้อันนี้ความอยากนี้มีต้องมี สมมุติวันนี้คุณเลือกว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวดีหรือไปนั่งสมาธิดีเราอยากสมั่งนั่งสมาธิมากกว่าอยากไปเที่ยวถ้าเราไม่มีความอยากนั่งสมาธิเราก็ไปเที่ยวเนี่ยยัจะเรียกว่าความอยากมีสมาธิไม่มีไม่ได้พรามันก็ต้องมีเพียงแต่มันมีที่ของมันมีเวลาของมันเพอเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วทีนี้เวลามานั่งอย่าไปอยากให้มันเป็นสมาธิเวลานั่งนี่ต้องมีสติแล้วเราต้องฝึกต้องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว อยากไปนั่งเฉยๆแล้วอยากให้มันสงบถ้าอยากให้มันสงบโดยนั่งเฉยๆมันไม่มีวันสงบได้อยากจะให้มันสงบก็ต้องให้มีพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวฉะนั้นต้องรู้จักว่าความอยากนี่มันมีเวลาไหนได้มีเวลาไหนไม่ไดม้มีเวลาที่จะต้องถามตัวเองว่าจะไปเที่ยวดีหรือไปนั่งสมาธินี่เวลานั้นน่ะจะต้องมีความอยากไปนั่งสมาธิถึงจะไปนั่งสมาธิได้ พอถึงเวลานั่งสมาธิแล้วอย่าไปอยากให้มันสงบละรานนั้นต้องอยู่กับอยากให้มีแต่พุโทโธอย่างเดียวถ้าอยากก็อยากให้มีแต่พุโทโธอย่างเดียวอยากให้ใจอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงจะทําทใจให้สงบได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเคิดเฟรมนะครับการบรรลุธรรมในแต่ละขั้นจําเป็นต้องจิตร่วมใหญ่แบบฟ้าดินถล่มทลายหรือเปล่าครับ หรือจิตมีสีสมาธิปัญญารู้แล้วปล่อยวางสัญญาณที่ร้อยลัดครับก็เหมือนกับเวลาที่ทุกข์แล้วทุกขหายไปนี่แหละมันก็จะรู้อยู่ภายในใจทุกใหญ่ทุกน้อยมันก็มันก็มีความความแตกต่างกันถ้าทุกข์หนักมากเวลามันหายไปมันก็รู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนฟ้าถล่มฟ้าทลายได้แต่ถ้าทุกข์มันน้อยมันก็จะรู้สึกความแตกต่างมันน้อย ระหว่างมืดกับแจ้งอย่างนี้ถ้ามันมืดมากพอมันเปิดสว่างเต็มที่นี่มันก็มันก็มีความแตกต่างมากแต่ถ้ามันสลัวสลัวแล้วพอเปิดไฟไม่สว่างมากมันก็มีความแตกต่างกันน้อ ย, ยงั้นไม่ต้องไปสําคัญไม่ต้องไปกังวลขอให้กังวลว่ามันหายทุกข์หรือไม่เท่านั้นแหละพอละตอนนี้เราทุกข์กับแฟนนี่แล้วเราพอเราปลงได้เลิกก็เลิกว่าเนี่ยก็หายทุกข์เลย คำถามจ้าคุณปทุมมานะครับหนูเคยถูกด่าแต่เรื่องที่ด่าไม่จริงค่ะตอนนั้นโกรธเห็นจิตเข้าข้างในเองเห็นจิตที่โกรธค่ะเห็นจิตพิจารณาศินเองและเห็นจิตอีกอานโผล่ออกมาสว่างค่ะและเห็นไปสงสารคนด่าบแป๊บเดียวเป็นแบบนี้ค่ะขอคําแนะนําค่ะหลังๆนี้ชอบเห็นจิตเข้าข้างในค่ะคือถ้าเราสงสารเขาแสดงว่าเรามีปัญญาละที่เห็นเขาด่าเรา ซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงก็แสดงว่าเขาหูหนวกตาบอด mm hmm. เขาพูดไปด้วยความอารมณ์ของเขาเองแล้ว ก, ก็ต้องทุกไปกับอารมณ์ของเขาเองเราเราก็ไม่โกรธเขาก็แสดงว่าเรามีปัญญาแต่ถ้าเราฟังแล้วเราโกรธเขานี่เราแสดงด้วยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเรามีความโง่เราไปเชื่อเขาเขาว่าเราเป็นควายเราก็เชื่อเขาแ mm hmm. <c oughs> ั้กทั้งที่เราไม่ได้เป็นควายเท mm ่า hmm. ไหร คำถามจากคุณพาดานะครับเมื่อก่อนนั่งสมาธิได้นานแต่ปัจจุบันนั่งได้อย่างเก่งก็สามสิบนาทีก็จะปวดจนนั่งไม่ไหวอาจเป็นเพราะร่างกายอ้วนขึ้นขออุบายในการนั่งสมาธิให้นานขึ้นค่ะก็สตินี่แหละเป็นตัวที่จะทาให้นั่งได้นานหรือไม่นานถ้ามีสติมากกำลังมากก็จะนั่งได้นานถ้ากำลังน้อยสติกาลังน้อยก็จะนั่งได้ไม่นานคาถามจากคุณขวัญชัยนะครับ ผมนั่งสมาธิจนผมสับสนว่าผมหลับหรือว่าผมกำลังสงบจริงๆครับบางทีหูผมก็ได้ยินแต่เพื่อนๆชอบหาว่าผมนั่งหลับแต่ตัวผมคิดว่าผมไม่ได้หลับมันไม่ได้อยู่ที่คิดว่าหลับหรือไม่หลับมันอยู่ที่หลับหรือไม่หลับไ <c oughs> <c oughs> ม, นคนมนะ่คนเมาคนเมาบอกผมไม่เมานะ <c oughs> เราจะใช้วิธีสังเกตไหนครับอาจารย์ที่จะให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้หลับอยู่ครับไม่หลับก็เหมือนที่เรานั่งคุยกันตอนนี้แหละตอนนี้หลับหรือเปล่ามันต้องมีความรู้สึกเต็มตัวถึงจะรู้ว่าไม่หลับถ้าเราสงสัยว่าหลับหรือไม่หลับ่าแสดงว่าหลับนะคําถามจากคุณสุรพงษ์มอเตอร์นะครับหากจิตคิดไม่ดีแต่ยังไม่กระทําออกมาหรือพูดออกมาก็ยังไม่บาปใช่ไหมครับยังไม่มีผลแต่ในพระไตรปิฎกตอนทัศเทวทัศคิดไม่ดี ตอนเหาะเลยตกลงมาลิศเสื่อมตอนเขาไปตกปลาจิตอนุโมทนาบาปจิตพอยินดีบาปทํายังเอ๊ะทำไมยังมีผลปวดหัวหรือลิศเสื่อมได้ครับเพราะถ้าคิดยังไม่ทําออกมายังไม่มีผลใช่หรือไม่ครับมีผลแล้วมีผลทางจิตใจแล้วทําให้จิตเสื่อมแล้วจิตเสือ่อมจะกุศลลงมาสู่อกุศลแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่น ยังไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาเองที่หนักกว่าความเสื่อมของจิตคําถามจากคุณวรพัทน์นะครับอัฐิของบรพรพบุรุษควรเก็บไว้หรือไม่ต้องนําไปล อ, อยอังคารหรือไม่เมื่อตายไปแล้วจิตจะปูพันกับอัฐิเกสาต่างๆหรือไม่และการทําบุญให้ทุกๆปีจําเป็นหรือไม่ครับเรื่องเก็บเรื่องไม่เก็บนี่มันเรื่องของแต่ละคนที่จะพิจารณาการเอง อยากจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ผลก็ไม่แตกต่างกันเก็บก็ดีอย่างเสียอย่างเก็บก็เป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาแต่ก็อาจจะเป็นการเจริญมรณานุสติเป็นการระลึกถึงอนาคตของเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนปิดามารดาของพวกเราต่อไปเราก็จะไปอยู่ในพระอบเล็กๆอย่างนี้มันก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วเรื่องการทําบุญนี้ จะทำประจาปีก็ได้จะทาประจาวันก็ได้มันไม่ไม่เกี่ยวกันทำได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะบุญส่วนใหญ่ที่ทำนี่จะเป็นของเราหมดบุญที่เราอุทิศไปนี่เป็นเพียงส่วนย่อยแต่เราทำเพราะว่าเรารักคนที่ตายจากเราไปแล้วเรากังวลว่าเขาจะตกทุกข์ได้ยากหรือเปล่าถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากบุญที่เราอุทิศไปนี้ก็จะช่วยช่วยเหลือเขาได้ในระดับหนึ่ง ถ้า ส, สองคําถามหรื อ, ะอะนะครับอาจารย์คําถามจากคุณเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศครูบาอาจารย์ไปด้วยทําได้หรือไม่ครับหรือในขั้นต้นเพื่อฝึกสมาธิไม่ควรฟังคําสอนครูบาอาจารย์ขณะนั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธิด้วยการดูลมหรือพุทโธไม่ได้ก็นั่งฟังเทศไปแทนก็ได้ยงแต่ว่าเวลาฟังเทศอย่าไปดูลมอย่าไปพุทโธให้ฟังเสียงธรรมแทน แล้วเสียงธรรมก็จะกล่อมใจให้สงบเป็นสมาธิได้คําถามสุดท้ายนะครับยาวนิดนึงนะครับจากสิงห์ทั้งหลายไม่เที่ยงนะครับเนื่องจากสถานที่ปฏิบัติอยู่ที่ห้องพักเป็นคอนโดเดี๋ยวนี้จะรักษาสิงหแปดวันพระรอบนี้เพิ่มมวนโกนด้วยเนื่องจากบริเวณปฏิบัติจากัดเวลานักสมาธิเจอปัญหาเรื่องกลิ่นบุหรี่จากห้องข้างล่างที่เขาชอบมาสูบตรงบร์เบียงแล้วกลิ่นลอยมาเข้าห้อง ของหนูตรงบริเวณที่หนูนั่งสมาธิแบบเต็มๆก็พยายามพุดโทแต่ก็เกิดความสงสัยว่าเราควรทนดมกลิ่นไปเรื่อยๆจนเขาสูบหมดมวลหรือลุกเดินหนีไปจกักถ้าลุกหนีไปจะเป็นการหนีปัญหาไหมคะหรือหนูต้องอดทนใบกำรัไปเรื่อยๆเพราะใจก็รู้ว่าเขาสูบ ต, ตอนนี้เดี๋ยวหมดมวลกลิ่นมันก็หายไปแล้วและเรารู้ว่าเรา ไปไม่อยากให้เขาไม่สูกก็ไม่ได้คือต้องแก้ที่เราไปแก้ที่เขาไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของเราว่าเราจะอยู่กับมัได้หรือไม่ถ้าเราอยู่กับความดูเลยได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนแล้วก็อยู่กับมันไปแต่ถ้าเรากำลังยังมีไม่มากพออยู่แล้ววุ่นวายใจก็ถอยไปก่อนดีกว่าเพราะเป้าหมายของเราคือต้องการทำใจให้สงบไม่ใช่ต้องการทำใจให้วุ่นวายไม่ใช่ เป้าหมายอยู่ที่การที่เราจะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มันอยู่ที่กําลังของเราเป้าหมายที่แท้จริงก็คือเราต้องอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าเรายังอยู่ไม่ได้ในขณะนี้เราก็ถอยไปก่อนถอยไปสร้างกําลังขึ้นมาก่อนสร้างความสงบให้มีมากขึ้นก่อนเมื่อเรามีความสงบมากแล้วต่อไปเวลาเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องถอยหมนแล้วใช่ไหมครับอาจารวัดกี่คนนะ 4 4 2ยังติดตามต่อนะทางนู้นเท่าไหร่คนครับตอนนี้เมื่อกี้ขึ้นมา16 18คนยังไม่จ่าช่วยประกาศบอกกันหน่อยนะ <YouTube. S 1> ใครอยากจะดูทูบยูทูบยูก็ดูได้พระสุชาติไลฟ์เหมือนกับ Facebook ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่จอกว้างกว่าเราไม่ตัดก็ยัไม่ตัดด้วยถ้า Facebook này, นี่มันมันมันจอสี่เหลี่ยม แต่เฟซบ o ๊กดูตรงที่ว่าถ้าอยากมีคำถามก็ต้องถามผ่านทาง Facebook mm hmm. เข้ามาเพราะที่ Facebook มีที่ให้ส่งข้อความเข้ามาใ น, ใน YouTube ก็ยังพอส่งได้ครับกาใ<ต>ส่ได้ส่งทางทาง Facebook ดีกว่าว่าเราจะได้ดูที่เดียวก็ช่วยบอกกระจายข่าวกันไปเผื่อใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเฟซก็อยากจะดูก็เข้าไปในพระสุชาติ Live ไลฟ์ภาษาอังกฤษ search หรือหรือที่พาสุชาติ .com เลยก็ได้ครับอาจารย์หน้าแรกจะมีลิงก์จะมีมจะมีจออยู่เลยครับอาจารย์หน้าแรกเลยเ อ, อรออโอเคนะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ ก็มีอย่างนี้ทุกวันน่ะบ่ายสองโงถ้าทีมงานพร้อมคปนแสดงพร้อมก็จะมีการถ่ายทอดสด